อรหังในที่หนึ่งก็หมายความว่าพระองค์นั้นอะไรไกลาจากกิเลสอย่างไรพร้อมทั้งวาสนาด้วยอริยมรรคทั้งหลายอ็ควรจำให้เต็มประโยคนะไกลาจากกิเลสพร้อมทั้งวาสนาด้วยอริยมรรคนะีไม่ใช่ว่าไกลาจากกิเลสเฉยๆโดยที่ไม่มีข้อปฏิบัติอะไรแต่พระองค์นั้นไกลาจากกิเลส พร้อมทั้งวาสนาเนี่ยนะพฤติกรรมที่ไม่ดีทางกายละได้หมดเลยแล้วก็ทรงละกิเลสเหล่านี้ทั้งหมดด้วยอริยมรรคโดยลำดับตั้งแต่โซดาปฏิมรรคสกธ า, าคามิมรรคอนาคามิรรคแล้วก็อรหัส ต, ตมรรคเนี่ยนะอรหันตในที่สองในหน้าสี่กล่าวถึงว่าพระองค์นี้เป็นพ่าอรหันตเพราะทรงทาลายค่าศึกทั้งหลายเนี่ยนะ คือค่าสึกคือกิเลสซึ่งเกิดขึ้นในจิตของผู้ใดสร้างความเสียหายให้แก่บุคคลนั้นไม่มีหยุดหย่อนพงก็ทำลายบาปอากุศลธรรมเหล่านั้นทั้งหมดที่มาขึ้นในยะที่3ว่าพระผู้มีพระภาคเป็นพระรอรหันต์เนี่ยนะเพราะทรงทำลายซี่กรรมแห่งสังสารจักรทั้งหลายหักซี่กรรมแห่งสังสารวั ร, ร, ร, รว่รางั้นเถอะทีนี้สังสารวัตเนี่ยนะประกอบด้วยซีกรรมมีอะไรบ้าง คือซีกรรมทั้งหมดแห่งสังสารจาจักนั้นมีดุมอันสําเร็จด้วยอวิชชาและภาวะตันหานะตัวดุมนี่ก็คือไอตัวแกนกลางๆอ่ะนะที่มันเป็นก้อนๆอยู่กลางๆอะ่ะดุมมันนั้นท่านอุปมาเหมือนกับอวิชชาและภวะตันหามีกรรมกล่าวคือพี่สังขารมีปุญญาพี่สังขารเป็นต้นเนี่ยนะ พี่สังขารนี่คือกรรำคือซี่กำอ่ะถ้าเหมือนมอเตอร์ไซค์ก็พวกไอซี่กำทั้งหลายแต่ถ้าเป็นพวกล้อรถสมัยโบราณก็เป็นซี่กรรมอันใหญ่ๆมีกงคือรอบนะวงล้ออ่ะคือชราและมรณะเนี่ยอันร้อยด้วยเพลาที่สําเร็จด้วยอาสวะสมุไทยไอ้ล้ออั น, นเนี้ยนีซี่ล้อซี่จักรเนี่ยลอ้อยเข้าไปในตัวรถไอ้ตัวเพลาที่มันร้อยติดกันนี่เป็นชื่อของอาสวะสมุไทย แล้วก็คุมเข้าไว้ในรถกล่าวคือพบสามมีการมาพบเป็นต้นอันเป็นไปแล้วตลอดการเบื้องต้นหาประมาณไม่ได้นะทีนี้เรามาพูดถึงสังสารวัตมองกันแบบรถนะมองแบบเกวียนเหมือนนเถอะถ้าพูดแบบมองพบสามเหมือนกับรถมองพบสามเหมือนกับเกวียนเนี่ยนะพูดถึงว่าสังสารจักรเนี่ยนะคำว่าสังสารจักรนี่เป็นชื่อของอะไร สังสาระบวกจกัจกจักเนี่ยแปลว่าหมุนไปเนี่ยนะจักเนี่ยแปลว่ามันหมุนไปทีนี้ไอ้คำว่าสังสาระเป็นชื่อของอะไรเป็นชื่อของขันอายตนะธาตุที่ที่สืบเนื่องกันไปลักษณะเนี่ยนะขันธาตุอายตนะแต่ขันธาตุอายตนะไม่ได้อยู่กับที่มีการสืบเนื่องกันไปสืบเนื่องกันในรูปแบบยังไงก็คื อ, อยออะละเอียดกหน่อยก็คือมาในรูปแบบของ ตาหูจมูกลิ้นกายใจในการรับรู้สลับถวารกันเป็นไปใช่ไหมตั้งแต่ตาไปหูบ้างหูมาจมูกจมูกไปลิ้นลิ้นไปกายกายมาใจใจมาตาตามาหูหูกวนเวียนอยู่อย่างเนี้ยอันนี้อละเอียดหน่อยถ้าหยาบไปกว่า น, นั้นอีกก็คื อ, อนนะตาหูจมูกลิ้นกายใจพัดผันไปในทางยืนเดินนั่งและและนอนนี่นะเป็นไปในอิริยาบถ4อ่าอริยาบถ4อย่างนี้แหละ ก็หมุนไปตามการเวลาเนี่ยนะเป็นอะไรเช้าสายบ่ายค่ําเย็นเนี่ยนะจากวันเป็นคืนจากคืนก็เป็นสัปดาห์ไปวันคืนยาวไปก่อนั้นก็เป็นสัปดาห์จากสัปดาห์ก็เป็นอะไรเป็นเดือนจากเดือนก็ไปเป็นปีจากปีเขาเรียกว่าเป็น10ปี10ปีนี่เขาเรียกว่าทศทศวัดเนี่ยนะทศวรดเนี่ยนะเรียกว่าเป็นรอบ10ปีแล้วก็อยู่ในรอบร้อยปีเขาเรียกว่า สตะสตะแปล ว, ว่าร้อยสตวัตเนี่ยนะแปลว่าร้อยถ้าถ้สะเนี่ยเนี่ยแปลว่าสินะสบถ้าสตะเนี่ยแปลว่าร้อยเนี่ยนะคือในระดับร้อยปีทีนี้ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายไม่ได้อยู่แค่นี้นี่มันก็มีอันเบื้องปลายนี่หาที่สุดไม่ได้ใช่ไหมแล้วจักรอันนี้ก็ยังหมุนไปอย่างนี้อีกไม่มีที่สุดว่าไอ้จักรอันนี้เลิกหมุนเมื่อไหร่เรียกว่าเป็นจักรที่มันหมุนไปตลอดไม่เลิกหมุนเลยถามว่าทำไมจักรอันนี้จึงไม่เลิกหมุนล่ะ มั น, นํำเนินไปอย่างเงี้ยเพราะมีเ น, นี่ยนะมีตัวดุมของเขาอะ่ะดุมของจักรอันนี้ก็คืออวิชาและภาวะตันหาอาวิชานี้เขาในฐานะเป็นเป็นอะไรอวิชานี้เป็นนิวรณ์ของสังสารจักรอันนี้ของจักรอันนี้มีวิชาอาวิชาเป็นเครื่องกลางกาง้นแล้วก็มีตันหาเป็นเครื่องผูกหรือตันหาเป็นสังโยชน์เนี่ยนะ พงศ์บอกเลยนะว่าในบรรดาเครื่องผูกทั้งหมดเนี่ยพระองค์ไม่เห็นอะไรที่จะเป็นเครื่องผูกเท่ากับอวิชชาในบรรดาเครื่องก้างกั้นทั้งหมดนะไม่มีอะไรยิ่งกว่าอาวิชชาอีกแล้วไอ้ที่ปกปิดไว้นี่นะในบรรดาเครื่องประกอบเอาไว้ไม่มีอะไรยิ่งกว่าตันหาอีกแล้วเพราะฉะนั้นตันหาเป็นสังโยชนอวิชชาเป็นนิวรณ คนที่มากไปด้วยวิชานี้มีจริญยังไงก็จะเป็นคนทิฏฐิจริตคนที่มากด้วยตันหาก็จะเป็นจริญไงตันหาจริญเนี่ยนะก็จะเป็นที่มาของทิฏฐิจริตกับตันหาจริญนะลองไปเชื่อมเชื่อมดูสติปัฏฐานต่อกันเข้าบ้างหรือเปล่าเสร็จแล้วต่อไปนะว่าไอ้ตัวดุมเนี่ยนะแล้วก็เชื่อมด้วยสี่กรรมใช่ไหม พะตัวกลมๆเนี่ยนะก็เชื่อมด้วยซี่กรรมัมซี่ก ร, รมทั้งหมดโดยทั่วๆไปก็มี12ซี่หรืออะไรก็แล้วแต่ช่างเขาสร้างอ่ะ น, นะแต่เฉพาะตรงนี้เอามาคืออภิสังขารได้แก่ปุญญาภิสังขารก็เป็นตัวเชื่อมเนี่ยนะสมมติว่าอาวิชชากับภวะตัญหาเนี่ยนะก็ออกมาในรูปแบบของปุญญาภิสังขารที่สุดของปุญญาภิสังขารคืออะไรชราและมรณะ อวิชากับสังขารทาให้เกิดอปุญญาพิสังขารที่สุดก็คือชราและมรณะอะไรอวิชากับภาวะตันหานี่นะเชื่อมมาเป็นสี่กรรมเป็นอนเนชาพิสังขารที่สุดอันนั้นก็คือชราและมรณะเ่็นอ่มสมมติอันนี้เป็นดุมนะเป็นอันใหญ่ๆเห็่แล้วก็ออกมาเป็นสี่กรรม เอาล้อใหญ่ๆหน่อยอนนมันมันหมุนมากมั้ <c oughs> เอาไหมน ะ, ะตัวดุมอันนี้ตรงนี้เอาไว้สอดเพลานะอันนี้ดุมดุมเท่ากับอะไรอวิชชากับภาวะตันหาอวิชชาคือคืออะไรไม่รู้อริยสัจสี่หรือตัวนิวอ น, น่ะนะ ตันหาเป็นสังโยน์อวิชากับตันหาเนี่ยนะบางทีก็ทำให้ทำปุญญาพิสังขารที่สุดของปุญญาพิสังขารคืออะไรอันนี้เท่ากับกงได้แก่ชรากับมรณะเพราะอาวิชากับภวะตันหาเนี่ยนะทำให้เป็นแบบนี้ ทีนี้ในชรามรณะก็แบ่งออกชรามรณะของของอะไรบ้างชรามรณะของกามสุขติอย่างหนึ่งชรามรณะของพรมเนี่ยอย่างหนึ่งมาจากผลของปุญญาพิสังขารแต่ปุญญาพิสังขารอันนี้เกิดจากอาวิชากับภวะตันหาเพราะก่อนที่จะมาเจริญปุญญาพิสังขารก็ยังมีอวิชาอยู่ก็ยังยินดีในวิบากและ ก ร, รมาชือโรอยู่ทีนี้ต่อไปถ้าเป็นอะปุญญาพิสังขาร่ะ อ, อปุญญาพิสังขารในฐานะเป็นกรรมใช่ั้ยก็ทำให้ได้กองอีกกองก็แบ่งออกเป็นเนี่ยนะนรกเปรตอสุรกายแล้วก็เดรัจฉาน ก็เนื่องจากอปุญญาพิสังขารเนี่ยเป็นตัวหมุนมาให้แต่ถ้าหากว่าเป็นอาเนญชาพิสังขารก็จะมีกรงประกอบไปด้วยอะไรบ้างผลก็คืออากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะแล้วก็เนวะสัญญานาสัญญายตนะนนนเพราะฉะนั้นตัวกรรมเนี่ยจะเป็นตัวเชื่อม ก็จะเป็นลักษณะนี้ตัวนี้เนี่ยนะอันนี้เรียกอะไรนะพราวใช่ไหมพร า, าวก็เท่ากับอาสวะสมุไทยอาสวะสมุไทยเป็นชื่อของอะไรเป็นชื่อของพวกมิวอนทั้งหลายนั่นเองเนี่ยนะเพราะว่าอาวิชากับภวะตันหาก็มีอาหารนะอาหารของอวิชาคืออะไรอันนะเอาใหม่นะ ภาวะตันหามีอวิชาเป็นอาหารส่วนอวิชานั้นมีนิวรนเป็นอาหารนิวรนก็มีทุจริตสาเป็นอาหารทุจริตก็มีไม่สํารวมอินทรีย์เป็นอาหารไม่สารวมอินทรีย์ก็มีไม่มีสติสัมปชัญญะไม่มีสติสัมปชัญญะเมื่อจากไม่มีโยนิโสไม่มีโยนิโสเพราะไม่มีศรัทธาไม่มีศรัทธาเพราะไม่ได้ฟังไม่ได้ฟังเพราะไม่ครบ สัต บ, บุรุษเป็นต้นนั่นเองอะนะแต่ว่ายกมาใกล้ๆเลยตัวอาสวะสมุไทยเป็นชื่อของนิวอรห้านั่นเองเนี่ยนะมีนิวอรเนี่ยเป็นอาสวะสมุไทยให้ทีนี้พอทำล้อใหญ่ๆอย่างนี้วาดรถไม่พ อ, อะนะทีนี้ไอ้เพลาตัวนี้มันก็จะมาร้อยเอาไว้ในตัวรถรถคืออะไรเท่ากับพบ สพบ3ก็เป็นเป็นอะไรการมาพบรูปประพบและอรูปประพบเนี่ยนะแล้วก็หมุนไปอย่างนี้โดยที่ไม่มีที่ที่สิ้นสุดเลยนะไม่รู้ว่าเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ว่าจบเมื่อไหร่เนี่ยนะก็เป็นไปอย่างนี้แหละใครวาดงามๆก็ไปวาดเอาเองแล้วกั น, ก, น<บ>ก็ชีวิตเราก็ดําเนินไปอย่างนี้ตลอดนะมีขณะไหนบ้างที่ไม่มีดุมคื อ, อวิชากับภวะตันหา ตัวที่น่าจดจําเอาไว้ให้มากๆหน่อยก็คือคําว่าอาวิชชาคือไม่รู้8ประการนะจะได้ชัดเจนขึ้นเวลาพิจารณาเนี่ยนะจะได้ชัดเจนมากอาวิชชาในฐานะนิวรณ์คือไม่รู้8อย่างภาวะตันหาก็เท่ากับยินดีในวิบากตัมมัชโรตัวภวะตันหาเนี่ยนะก็คือตัวที่ยินดีใน วิบากกรรมมชรูปต่างๆนั่นเองสมมุติถ้าเราป่าถนาสวรรค์เนี่ยจริงๆป่าถนาอะไรป่าถนาอยากมีตาแบบเทวดานั่นเองก็เท่ากับป่าถนาวิบากก ร, รมมาชรูปนั่นแหละอยากมีหูจมูกลิ้นกายหรือว่าอยากมีใจแบบเทวดาทั้งหลายอ่ะนะเพราะฉะนั้นไอ้ความป่าถนาตรงตัวจริงๆอ่ะถ้าสีงามๆถ้าเราตาบอดอยากเอาไห ม, มก็ไม่อยากได้ที่จริงนะเราต้องการตามมากกว่าต้องการสีต้องการหูมากกว่าต้องการเสียง ต้องการจมูกมากกว่าต้องการกลิ่นต้องการลิ้นมากกว่าต้องการรสต้องการกายมากกว่าโพธาภะต้องการใจมากกว่าเรื่องราว แ, แต่ถ้ามีตาหูจมูกลิ้นกายใจก็อยากได้สีอันงามงามมาบำเรอตาเมื่อม <im ีห well ูแล้วก็อยากได้เสียงเพราะๆมาบำรุงบำเรอหูเนี่ยนะมีจมูกก็อยากได้กลิ่นดีๆเนี่ยมาบำรงบำเรอจมูกเอกมีลิ้นแล้วก็อยากได้รสอร่อยอรอยเนี่ยมาบำเรอเนี่ยนะได้กายแล้วก็ถ้าเย็นก็อยากได้อุ่นเนี่ยนะ ถาร้อนก็อยากได้เย็นอย่างเงี้ยก็มาบำรุงบำเรอไปใจก็อยากได้เรื่องดีๆมาคิดเนี่ยนะทั้งก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปอยู่ในลักษณะนี้นี่แหละแล้วก็เป็นไปอย่างนี้ไม่มีเบื้องต้นและก็ไม่มีที่สุดเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้จบเมื่อไหร่ใครกําหนดชาติได้หรือยังชาติหน้านี้นะจบหมดเลยอย่นี้ว่าโสดาปฏิมรชาตินี้เกิดได้ไหมถ้าโสดาปฏิมรชาตินี้เกิดได้ก็อีก8ชาติ กำหนดได้เลยว่าจบวันนั้นนะแต่ถ้าปกติธรรมดาแล้วไม่มีสิ้นสุดแน่นอนไม่ไม่ไม่มีจบเองอะนะอยู่ๆแล้วก็แบบเลื่อนไปตามกระแสน้ำเนี่ยนะอันนี้ไม่มีเด็ดขาดเลยทีนี้พระพุทธเจ้าทำลายไอ้สังสารจักรที่อุบาทอย่างนี้ยังไงเนะบอกว่าอันพระผู้มีพระภาคนั้นทรงยืนหยัดอยู่แล้วบนปฐพีคือศีล ศีลเนี่ยสำคัญเท่ากับแผ่นดินเลยลว่างั้นเพราะพระองค์ตรัสว่าในบรรดาพีชคามและภูตะคามทั้งหลายที่จะเจริญงอกงามตั้งอยู่ได้ก็ต้องอาศัยแผ่นดินสัตว์จะตุบททวิบาทจะตุบทก็สเท้าทวิบาทก็สองเท้าทั้งหลายเนี่ยนะที่ยืนเดินนั่งนอนใช้อิริยาบถสอย่างสบายๆก็อาศัยบนแผ่นดินชั้นได้พระองค์ก็เหมือนกันก็ยืนหยัดอยู่บนปัตถีคือศีลเพราะว่าศีลเนี่ยเป็นตัวที่รองรับ กโสระธรรมชั้นสูงด้วยพระยุคลบาทเนี่ยนะเท้าทั้งคู่เหมือนกับความเพียรยุคลเนี่ยแปลว่าคู่นะเท้าทั้งคู่ของพระองค์เนี่ยคือความเพียรที่ยืนหยัดแล้วก็ทรงถือพระสุนนะแปลว่าขวานคือพยานอันกระทําซึ่งความสิ้นายแห่งกรรมแล้วก็ใช้พระหัตคือศรัทธา ทรงหักเสียได้แล้วณนะโพธิมนนะโพธิมันทะเนี่ยนะแปลว่าแดนตรัสรู้ฉะนั้นจึงทรงพระนามว่าผ้ารหันแม้พระทรงทำลายซี่กรรมแห่งสังสารจักรนั้นแสดงว่าสังสารจักรอันนี้ถูกทำลายโดยข้อปฏิบัติทั้งหลายอ่าสงเคราะห์เป็นไตรสิกขาได้ไหมเศรลกับศรัทธานี่อยู่ในประเภทอาทิศีและสิกขานะ ศีลกับศรัทธาอยู่ในอธิศีลสิกขาวิริยะอยู่ในอธิจิตตสิกขาเนี่ยนะพยานอยู่ในอธิปัญญาสิกขาเนี่ยนะเพราะว่าวิริยะอยู่ในฝักฝ่ายของสมาธิก็เลยเป็นอธิจิตตสิกขาเพราะฉะนั้นพระองค์ตรัสรู้ด้วยสิกขา3ามนะสิกขาสิกขา3นี่นะประชุมครั้งแรกเรียกว่าโสดาปติมักประชุมครั้งที่สองเรียก สก่าทาคามีมกักประชุมครั้งที่3เรียกอนาคาเมมัมกประชุมครั้งที่4ี่เรียกว่าอรหัตตมักเนี่ยนะเพราะฉนั้นอรหัตตมักก็คือการประชุมของศิกขาเมื่ออรหัตตมักเกิดขึ้นก็ทําลายอาวิชชาทําลายภาวะตันหาเพราะว่าผ่านาคามียังมีอวิชากับมีภวะตันหาอยู่นะระดับผ่านาคามเนะีแต่ผ่านาคาเมเนี่ยทำลาย อภิสังขารคื อ, อปุญญาพภิสังขารได้แต่อาเนนชาพภิสังขารกับปุญญาอภิสังขารเนี่ยท่านยังทำลายไม่ได้เนี่ยนะ <S 2> <S 2> เพราะว่ายังมีอวิชากับภวะตันหาอยู่นังนจะต้องอาศัยอรหัตตมัคคยานนั่นแหละจึงจะทำลายอาวิชากับภวะตันหาได้ถ้าทำลายอวิชากับภวะตันหาได้สังขารก็เปลี่ยนเป็นกิริยาเนี่ยนะกิริยาละก็ไม่มีผลอีกต่อไปเนี่ยนะ ทีนี้เมื่อมาปฏิสนธิในพบทั้งหลายเหล่านี้แล้วมานำเกิดแบบนี้แล้วอะไรต่อไปปฏิสนธิวิญญาณทำให้มีทำให้มีอะไรมีนามกับมีรูปส่วนที่เป็นนามได้แก่อะไรเวทนาขันสัญญาขันแล้วก็สังขารขัน นามขันธ์สามอันนี้เป็นปฏิสนธิวิญญาณอยู่แล้วอันนี้เรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณพลธรรมะนามได้แก่เจตสิกที่ประกอบกับวิญญาณเหล่านี้ที่ประกอบกับปฏิสนธิจิตเขาบอกว่าถ้าพูดปฏิสนธิการเนี่ยปวัติการจําเป็นไห ม, ไม เ, เพราะอะไรเพราะชีวิตในปฏิสนธิการมันขณะจิตเดียวนิดเดียวเองจิตเดียวอย่างนั้นเถะชีวิตที่เหลือก็คือประวัติการทําไมท่านจึงขับเน้นปฏิสนธิการมาก เพราะว่าปฏิสนธิการเป็นตัวแยกแยะจะต่างกันหลากหลายยังไงอะไรยังไงก็อยู่ที่ปฏิสนธิการเพราะั้นถ้าแยกปฏิสนธิการได้แล้วประวัติการแยกไม่ยากคุยกันง่ายมากเหมือนกันท่นว่าหลังจากอุปาทัศน์ะเป็นประวัติการอะไรครับหลังจากปฏิสนธิจิตทั้งหมดหลังจากแม้แต่หลังจากอุปาทัขน์ะก็เรียกประวัติแล้วเป็นไปแล้วแต่ว่าในปฏิสนธิจิตเนี่ยนะปฏิสนธิจิตแบ่งเป็น อุปาทะถีติและก็พังคะในการมาภูมินี่นะวที่สำคัญตัวรูปเนี่ยมีคือเรียกว่าปฏิสนธิหัทยะปฏิสนธิหัทยะนี้มีอิทธิพลต่อต่อจิตและเจตสิกเหล่านี้มากเรียกว่าเป็นอัญญมัญญะปัจจัยซึ่งกันและกันเลยหมายค่ะว่าทั้งจิตเจตสิกก็ต้องอาศัยปฏิสนธิหัตยะ ปฏิสนที่หัทยะต้องอาศัยจิตเจตสิกโอการติคเนนามารูปังอัญญามัญญานิสยะปัจเยนาปจโยหรือว่าสหชาตาปิปจเยนาปจโยเป็นต้นเนี่ยนะในปฏิสนที่ขณะนามกับรูปเป็นอัญญมัญญาปัจจัยสําคัญสัมพันธ์ซึ่งกันและกันตลอดหมดเลยตัวรูปอันนี้ไม่มีเฉพาะแต่ปฏิสนที่หัตถะเท่านั้นยังมีอะไรอีกมีตามีหูมี จมูกมีเลนมีกายแล้วก็มีใจปฏิสนธิอันนี้บอกไหมว่าอะไรไม่ได้บอกว่ากำเนิดอะไรใช่ไหมก็ต้องมาแยกกาเนิดอีกครั้งหนึ่งแต่บอกแต่คติอย่างเดียวว่าเป็นบอกอย่างเดียวว่าเป็นกามัอกอะไรนะกามภูมิหรือกามคติกามคติอันนี้เรียกว่ากามทุคติอันนี้เป็นกามสุคติกามทุคตินี่แบ่งออกเป็น นรกเปรตแล้วก็เดรัจฉานอสุรกายอยู่ในกลุ่มของเปรตส่วนมนุษย์ก็เป็นมนุษย์สกคติส่วนเทวดาเป็นเทวคตินี่พูดโดยคติ5ในขณะเดียวกันไม่ใช่มีแค่คติ5นะยังมีสิ่งเหล่านี้ยังไปเรียกโดยกำเนิด4เรียกวิญญาณทิติได้วิญญาณทิติ นนมีกายต่างกันมีปฏิสนธิจิตเหมือนกันมีกายต่างกันมีปฏิสนธิจิตต่างกันอีกครั้งหนึ่งนนเรียกกลุ่มวิญญาณทิติเรียกหรือเรียกกลุ่มอีกย่างหนึ่งเรียกว่าสัตวาวาสพวกคําว่าคติกําเนิดวิญญาณทิติสัตวาวาสเนี่ยนะทำให้เข้าใจความเป็นสัตว์ทั้งหลายในภพภูมิที่วิจิตได้อีกอย่างหนึ่งเหมือนกันเนี่ยนะว่ามันมีความหลากหลายนะและให้รู้อีกอย่างหนึ่งว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดคือทุกขสัตว์เท่านั้นเอง ถ้าพูดประมวลมาแล้วว่าปฏิสนธิจิตเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นทําให้มีนามรูปเกิดขึ้นถ้าเป็นลักษณะโอปปาติกะอายตนะเนี่ยครบถ้วนทันทีเลยอายตนานี้ครบถ้วนเลยถ้าคนมีอายตนาบริบูรณ์นะหรือเทวดาที่มีอายตนาบริบูรณ์หรือสัตว์นรกที่มีอายตนาบริบูรณ์ตาหูจมูกลิ้นกายหาทะยะเกิดขึ้นพร้อมกันในขณะนั้นเลยทุบเลยแต่ถ้าเป็นมนุษย์ ในยิ่งยังยุคปัจจุบันเนี่ยนะมีรูปเกิดแค่สามกลุ่มเท่านั้นก่อนรูปเกิดสามกลุ่มคือ 1. ปฏิสนธิหาทยะ 2. กายะ 3. ภาวะก็แบ่งออกเป็นภาวะแล้วค่อยๆเจริญเติบโตหลังจากนั้นมาเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจตอนหลังแต่ถ้าเป็นพวกโอปติกะหรือพวกชลาผู้ช้าเนี่ยนะพวกนี้มีตาหูจมูกลิ้นกายใจทันทีเลย แต่ถ้าพวกอันตาชาเนี่ก็คล้ายๆกับชาลาผู้ชะอันธานี่แปลว่าไข่พวกที่เกิดในไข่กับเกิดในคันเนี่ยคล้ายๆกันค่อยๆเจริญเติบโตมาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าผู้รวมๆแล้วก็คือตาหูจมูกเลนกายและใจนั่นเอง ก, การเกิดขึ้นของตาหูจมูกเลนกายใจซึ่งมีนามรูปพวกนี้เป็นปัจจัยถามว่าโดยปัจจัยอะไรโดยปัจจัยที่อยู่ในตระกูลสหาชาตชาติทั้งหลาย ปัจจัยตะกูลสหาชาติชาติทั้งหลายก็จะทําให้มีตาหูจมูกลิ้นกายใจหลังจากที่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจและอะไรเกิดต่ออ่านะนเป็นปัจจัยที่สําคัญมากของพรรษาพรรษะ6เลยเาถามว่าสลายยตนะเป็นปัจจัยแกพรรษาโดยปัจจัยอะไรเอาใหม่นะสูตรเขามีตากับรูปเกิดเลย จักรคูวิญญาณตาเป็นวัตถุปุเรชาตานิสยะป จ, จัยของจักรคูวิญญาณรูปเป็นอารมณะปจจัยของจักรคูวิญญาณภาษาเกดร่วมกับจักรคูวิญญาณสรุปแล้วตานี้เป็นปัจจัยอะไรแต่ภาษะตาเป็นปจจยัยอะไรเป็นวัตถุปุเรชาตะนิสยะปจจยัยไม่ใช่อารมณะเป็นวัตถุแต่ภาษาอันนี้มีชื่อว่าจากักรคสัมผัสเป็นจกักูสัมผัส ห่ก็เป็นวัตถุปุเรชาตะจมูกลิ้นกายก็เป็นวัตถุปุเรชาตะแต่มโนโบางอย่างเป็นอนันตระปัจจัยอายตนะคือมณะเนี่ยนะอายตนะคือมณะตัวใจตัวนี้เป็นปัจจัยแก่ภาษะในกลุ่มทั้งสหาชาตชาติด้วยกลุ่มทั้งอนันตรชาติด้วยเป็นทั้งสหาชาตชาติกับอนันตรชาติ หมายความว่าเป็นปัจจัยสืบเนื่องกันไปแล้วภาษาอันนี้ก็เป็นปัจจัยแก่เวทนา เ, าเวทนาอันนี้เน้นเวทนาที่เป็นวิบากนะถ้าตามปฏิจจสมุปบาทภาษาเป็นปัจจัยแก่เวทนาเพรา ะ, ะถ้าจักขู่สัมผัสได้เวทนาเดียวคืออุเบกขาเวทนาได้อุเบกขาเวทนาอย่างเดียวแต่โดยเอาชาติอื่นๆมาจับนะได้เวทนาสามทั้งที่เป็น ทุทั้งที่เป็นอุเบกขาทั้งที่เป็นสุขแต่ว่าหมายถึงทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาสุขเวทนาในชาวนะถ้าเวทนาในปฏิจจสมุปบาทเป็นเวทนาชาติวิบากแต่ถ้าเป็นเวทนาทั่วทั่วไปเป็นเวทนาชาติกุศลอกุศลเป็นต้นไม่เฉพาะชาติวิบาก<ด>เพราะว่าเจนพ่อันนั้นโดยศาสตปัจจัย อ่ันบนเวทนาอันบนเนี่ยนะเ<ๆ>วทนาอันนี้เนี่ยนะโดยโดยสหาชาติอ่ะอุเบกขาเวทนานี้โดยสหาชาติตปัจจัยอ่ะถ้าเวทนาในอุเบกขาเวทนาในจกักขูวิญญาณเป็นสหาชาติตปัจจัย <million. S 1> ถ้าอุเบกขาในสัมปติชนะเป็นปอะไรปัจจัย <ๆ S 1> เป็นอนันรต <neg> นนนระปัจจัย<ๆ>ถ้าเป็นปัจจัยแก่ อุเบขาเวทนากับโสมนัตเวทนานาสัมปติชนะด้วยอานาจอุปนิสัยปัจจัย ป, ะนะประเภทปกตูปนิสยปัจจัยถ้าเป็นภาษาที่เกิดในจักคูวิญญาณเป็นปัจจัยแก่เวทนาในชาวนะนั้นต้องเป็น ป, ปักตูอย่างเดียวแล้วถ้าในชาวนะไม่ใช่ชวนะขณะเดียวด้วยนะหลังจากนั้น10ปีก็ยังชื่อว่าเวทนามีจกักขคสัมผัสเป็น ปัจจัยหรือยี่สิบปีก็ได้หรือร้อยปีก็ไม่เป็นไรเนี่ยนะอาจจะเคยเจอกันเมื่อหกสิบปีที่แล้วเนี่ยนะภาษาอนั้นสําคัญมากนะภาษาอนั้นสําคัญแค่ไหนนะครับมีเรื่องเล่าว่าในคัมภีร์ท่านเล่าว่าสมัยที่เขาฉลองเจดีฉลองมหาวิหารเหมือนกันเขามีสัมมาเนรีกับสัมมเนนคู่หนึ่งเหมือนกันสมมเณนนี่เขาไปรับข้าวบาศมันร้อนมากไอ สมเนรีนี่เห็นแล้วก็เลยสงสารก็เลยถวายสโลกบาทไปก็หลังจากนั้นผ่านไปหกสิปีว่างั้นหลังจากนั้น6กสิปีนี่นะก็มันมีปัญหาในเมืองศรีลังกาก็ข้ามไปอีกฟากหนึ่งทีนี้ครอบก็ไปเจอกันก็ไปเจอกันแล้วก็ทักทายกันมาอ้าวอั น, นัน้ตอนฉลองมหาวิหารเนี่ยนะคุณอายุเท่าไหร่ยังไนะก็คุยกันตอนนั้นเจ็ขวบว่างั้น แล้วก็ถามพ่าเทรีว่าอายุเท่าไหร่ก็เจ็ดขวบเหมือนกันแล้วก็เล่าความหลังว่าตอนนั้นเขาเคยได้รับไอ้สลกบาทอันหนึ่งเหมือ้กันก็บอกเช้านี่แหละเป็นคนถวายเหมือ้กันก็คุยกันไปยังไงไม่รู้สึกเลยหกสิ <60 S 1> <67. S 2> ปีนะเท่ากับอายุหกสิเจ็ดปี<笑><笑>อ่ะภาษานั้นไม่ใช่ภา ษ, าษาธรรมดาเหมือกันเนะเ <c oughs> พราะฉะนั้นอย่าประมาทนะภาษภาษาหนึ่งเนี่ยนะ แล้วทําไมจึงไม่ลืมรู้ไหมก็สมมเนนเขาเก็บไอ้สลกบาทเนี่ยภาพรูปนั้นนะเก็บสลกบาทไว้ตลอดเลยใช่ไหมแล้วไอ้คนที่ถวายก็คิดถึงเสมอว่าได้ถวายเอาไว้มันก็คิดไว้เรื่อยๆๆๆมันเลยไม่ลืมไงเนี่ยนะไม่ก็เรื่องจริงนะไม่ได้ร้อยจริงคเป็นเป็นไปได้ด้วยเชิญตอนที่ประเทศศรีลังกามีที่ที่ที่ศรีลังกาโน่นอย่าไปวาดเลสลกบาทเลครับแม้แต่ว่า ภาชัอหน้าหรือว่าอะไรอย่อันี้อะไรนะอันนี้นี่เรื่องเรื่องเกิดหลังพุทธกาลนะว่าภาษานี้ไม่ใช่แบบธรรมดาว่าภาษานี้เป็นปัจจัยยาว่าแต่โลภะเลยเป็นปัจจัยแม้กระทั่งเป็นปัจจัยแก่โทสะอย่างเด็กคนหนึ่งเนี่ยนะมีเด็กคนหนึ่งอ่ะที่เขาเห็นภาพที่พ่อเนี่ยถูกฆ่าเนี่ยนะ และเด็กคนนี้พยาบาทตลอดเลยตอนหลังก็ไปได้ฆ่าคนที่ฆ่าพ่ออย่างสมใจยอยากกันนะจนเอาไปฝึกใช้อาวุธปืนเป็นต้นอันนี้ไม่ใช่หนังจีนนะเรื่องจริงเป็นทางใต้กันนะแล้วก็ตัวอย่างหนังจีนก็เยอะแยะไป <c oughs> แต่ว่ า, เ, าเรื่องที่เล่าเนี่ยก็เรื่องจริงนะนะั่นแหละสงสัยหน่อยครับคือว่าทําไมจึงไปโยนให้กับผัสสะครับ <c oughs> ปกติ <c oughs> เรามักจะโยนถ้าเราไม่เรียนมาเลยนะเราจะโยนไปที่จักขุวิญ ญ, ญาณครับ หรือเวทนาเราจะโยบินเพราะไอ้การที่เห็นครั้งนั้นเพราะการได้ยินครั้งนั้นเนี่ยโอ้โหมันเป็นปัจจัยให้มาถึงก็ต้องเนี่ยต้องแต่งงานกันเลยเนี่ยที่จริงท่านอธิบายคำว่าภาษาเนี่ยก ว, กว้างกว่าวิญญาณทำไมเพราะว่าภาษะเป็นการประชุมของสมอย่างใช่ไหมครับหนึ่งจกักรโคสองรูปสวิญญาณแล้วประจวบกันพอดีด้วยนะทั้งฝ่ายทั้งหมดอยู่ในปัจจุบันหมดเลย แล้วมาประจวบกันเป๊ะพอดีเนี่ยนะอันนี้เรียกภาษาเนี่ยนะพระผู้มีพระภาคจึงแสดงว่าความต่างแห่งเวทนาเพราะความต่างแห่งภาษะความต่างแห่งภาษาเพราะความต่างแห่งธาตุธาตุทั้งที่เป็นจักขู่ธาตุรูปธาตุจักขูวิญญาณธาตุนี่นะความต่างเราเนี่ยภาษาจึงเกิดเพราะฉะนั้นเวลาพระองค์แสดงจึงแสดงในลักษณะประชมมากกว่าจะพูดโดดแต่ถ้าพูดภาษาเท่ากับสอย่างนี้พูดทันทีเลยเข้าใจแล้วครับคือหมายความว่า ถ้าพูดภาษาปับนี่นะฮะเราก็หมายความว่าไอ้รูปที่เห็นนั่นนี่ยไอ้สลกบานนั่นเน่ยก็เป็นมีอิทธิพลเหมือนกันถูกไหมะฮะเจนหรือว่าตาที่เห็นนี่นะฮะก็มีอิทธิพลแล้วการเห็นคือจักรคูอิญยาณก็มีอิทธิพลแต่พอพูดภาษาคําเดียวรวมหมดเลยดเจนน่า ใ, ให้ใหประชุมทั้งสามันหมดเลยทีนี้ภาษาที่เป็นปัจจัยแก่เวทนาเนี่ยนะแม้กระทั่งโลกุตระด้วยซ้ําไปเช่นไปเห็นที่ใน วิภังท่านยกถึงว่าไปเห็นภาพมนโทนกศสินแล้วก็ตอนหลังก็ไปเจริญเองเลยนะตอนหลังก็บรรลุเป็นผ้ารหารเหมือนกันภาษาในทุกทวารเลยนะทวารตาทวารหูทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายและทวารใจเนี่ยนะเป็นภาษาที่สำคัญต่อเวทนาทั้งหมดถามว่าการพูดถึงเวทนาอันเนี้ยสำคัญอย่างไรสำคัญอะไรถ้าพูดถึง ทุกขเวทนาก็บ่งถึงว่ากิเลสสายโทสะเนี่ยนะโซโทสะสองดวงถ้าพูดอุเบขาเวทนาก็ เ, าเท่ากับพูดสายโมหะถ้าพูดสุขเวทนาก็เท่ากับพูดกิเลสสายโลภะกับอโลภะอย่างเดียว น, นี่นะถ้าพูดอกุศลนะถ้าพูดกุศลสุขเวทนาทั้งที่เป็นกุศลก็มีอุเบขาเวทนาที่เป็นกุศลก็มีเพราะฉะนั้นยกคาว่าเวทนาหมายถึง จิตต่างหลายชนิดตามมาอีกแล้วเมื่อจิตตั้งหลายเหล่านั้นเกิดขึ้นเนี่ยนะมีเวทนาเกิดร่วมด้วยหมดเลยเวทนาเหล่านั้นอิทธิพลสําคัญต่อตันหามากต่อตันหาทั้งหมดเลยนะตันหาก็าจะเกิดเป็นประตูไกลๆนานาอย่างนี้นี่นะฮ ะ, ะแสดงว่าอารมณ์นั้นเป็นอารมณนาทิปติที่ครับอารมณ์นั้นเป็นอารมณนาทิปติปัจจัยของโลภะตั้งกระเห็นแล้วเป็นต้นนะนะเป็นอารมณนาทิปติปัจจัยของ โลภะตั้งกจได้ยินเป็นต้นแล้วแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะก็ต้องไม่ลืมว่าโลภะก็เป็นปัจจัยให้โทสะเกิดได้นะโทสะก็เป็นปัจจัยให้โลภะเกิดได้นะก็ไม่ไม่ใช่ว่าเห็นแล้วชอบกันแล้วจึงจะแต่งงานกันอย่างเดียวนะยังนึกเรื่องหนึ่งก็อกว่าสมัยเด็กๆกับคู่นี้นั่งด่ากันอย่างเดียวของกันเห็นแล้วก็ด่าพ่อด่าแม่กันตลอด ตอนหลังก็มีลูกตั้งหลายคนไปแล้วเพราะฉะนั้นอย่าว่าแต่โลผ้าอย่างเดียวเลยมันไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆนี่คือกรรมก็หนึ่งในองค์ประกอบในบรรดาปัจจัย9ชาติส่วนที่สำคัญที่สุดคืออุปนิสัยชาติเพราะตัณหาที่นำเกิดเนี่ยนเกิดในลักษณะอุปนิสัยชาตินะไม่ใช่ตัวกรรม ตัญหาที่นำเกิดไม่ใช่กรรมมปัจจัยแต่เป็นอุปนิสยาปัจจัยเรื่องทั้งหมดเนี่ ย, ยที่ท่านบรรยายมานี่นะครับเนี่ยเราจะเราจะเห็นได้ถ้ามองอีกแง่หนึ่งนะฮะท่านกำลังทำปริญญาท่านทกำกำกำกำกำริญญาใ น, ใ น, ในอุปกำาำกำรให้เราดูำกำกำกำกำกำกำกำกากำกำกำรำกำกะกอีาา่กำกอกำกำกนกำนำกำกำ ถึงแม้เราจะเรียนมาแล้วเราพอเข้าใจติดตามได้นะแต่ให้ลงมาเราลงมาทำปริญญาอย่างี้นะทำไม่ออกนะครับทำไม่ออกเพราะอะไรนะฮะทำไม่ออกเพราะว่าความจริงก็เรียนมาก็าเข้าใจนะนี่ย น, นี้เป็นเรื่องปริญญาที่เรีย น, นผ่านๆๆๆมาทั้งนานใช่ไหมฮะแต่ท่านกับพวกผมเนี่ยต่างกันเยอะท่านทำปริญญาได้ได้เร็วมากนได้นานได้ละเอียดแต่พวกผมเนี่ยทำปริญญาได้ช้า แสดงว่าอ่อนซ้อมเราะอะไรนไู้ไหมข้ามการทําปริญญาก็คือการเจริญสี่ปัญฐานนั่นแหละแต่ในขั้นปริญญาอาจจะเป็นยาตารปริญญานะเพราะว่าสุดจริตสามเราผมเชื่อเลยครับเพราะสุดจริตสามเราเนี่ยไม่พอครับแต่ถ้าฟ้องซ่านก็เรื่องนี้ก็<ม>โดย <พอ S 2> ทั่ว ๆ, ๆวไปก็พิจารณาไม่ได้ไ <อ S 2> เลยนะถาว่าหลักการอันนี้นะ ที่พูดถึงเนี่ยแล้วย้อนอดีตได้ั้ยสมมติว่าเห็นเอาเห็นคุณหมอเลยเอ <Okay. S 1> แล้วย้อนอดีตได้ไหม ย, ย้อนไปหาอดีตได้ไหมที่จริงแล้วคนที่เราเกี่ยวข้องเนี่ยนะเรียกว่าใครก็ได้เขาก็คืออะไรก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่เวลาจะเกี่ยวข้องด้วยอำนาจของตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะด้วยอนุภาพของตาหูจมูกลิ้นกายใจก็คือจะเจอกันในรูปแบบของรูป เสียงกลิ่นแล้วก็รสโพธพภะแล้วส่วนหนึ่งเป็นเรื่องราวที่เรียกว่าธรรมรมเนี่ยนะถ้าพูดตาหูจมูกเลินกายใจเลยนะรูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะธรรมรมมีอยู่แล้วถึงไม่พูดก็ต้องมีอยู่แล้วเนี่ยนะเพราะในนี้ถึงใบก็ยังมีเสียงไม่มีเสียงทางปากใั่ไหมแต่มีเสียงทวารอื่นได้ไหมมีเสียงทวารอื่นๆได้เนี่ยนะ เพราะฉะนั้นเกี่ยวข้องกับใครก็คือเกี่ยวข้องกับเขาด้วยอำนาจของรูปเสียงกลิ่นรสโพธาะเป็นต้นรูปบางอย่างเป็นเป็นรูปที่เกิดร่วมกันกับจักระรูปบางอย่างเกิดร่วมกันกับหูก็รูปบางอย่างเกิดร่วมกันกับจมูกรูปบางอย่างเกิดร่วมกันกับลิ้นรูปบางอย่างเกิดร่วมกันกับกับกายนีนะส่วนที่เป็นรูปนะแต่เสียงเนี่ยไม่ได้เกิดร่วมกับตาหูจมูกลิ้นกายนะนะกลิ่นก็เกิดร่วมกับ ตาหูจมูกลิ้นกายรถก็เกิดร่วมกับตาหูจมูกลิ้นกายนี่นะโพธภานี่นะเป็นปัจจัยที่สำคัญของตาหูจมูกลิ้นกายของบุคคลนั้นๆแล้วก็ย้อนไปว่าเออตาหูจมูกลิ้นกายใจของคนเหล่านี้นี่นะมาจากยังไงแล้วก็ย้อนไปอย่างนี้ได้ถอยหลังไปเพิ่นเห็นใครปั๊บก็ถอยหลังไปในอดีตของเขาอนะถ้าจะมองถอยก็ได้ถ้าจะมองต่อไปก็ได้ ถ้ามองแบบลักษณะต่อไปเมื่อตาเขาเห็นเขามีภัสสะเมื่อมีภัสสะก่อให้เกิดเวทนาอะไรถ้าเวทนาเกิดอะไรเกิดตัณหาอุปาทานและทํากรรมอะไรพอสมมุติเราเห็นหน้ากันแป๊บเนี่ยเขาคุยอะไรกันก่อนอันนั้นเป็นกรรมมพบถ้าเห็นแล้วคิดยังไงอันนั้นเป็นมโนกรรมอีกเหมือนกันกรรมทั้งกายกรรมมจีกรรมมโนกรรมเนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยจะบอกว่าไม่มาจากตัณหาและอุปาทานไม่ได้ นนะไล่ไปนี่ก็ไล่ตามสูตรอีกครั้งหนึ่งเ น, น, นะเพราะฉะนั้นไอ้ตันหาอุปาทานที่เกิดขึ้นก็ทิ้งอะไรทิ้งเวทนาไม่ได้เวทนาก็มาจากผัสสะเพราะฉะนั้นชีวิตก็จะมองออกทั้งสังสารวัตแต่ถ้าทำลา ย, วยอาวิชชานี้เสรยจแล้ ว, วผู้ที่ทำลายอาวิชชานี้ได้เด็ดขาดคือใคร โดยเด็ดขาดอ่าโดยเด็ดขาดอาวิชาที่เป็นไปในการมาพบใครที่ทําลายได้เด็ดขาดมาพบพระ อ, อนาคามีพระอนาคามีได้เด็ดขาดเอเมนนะพระโสดาบันเนี่ยนะทำลายอาวิชาที่เป็นปัจจัยให้เกิดในอบายได้หมดเลยแล้วพระโสดาบันก็ทําลายอาวิชาที่ทําให้เกิดเป็นมนุษย์ในภพที่8ได้หมดเลยถ้าหากว่าอาวิชาของพระสกะทาคามีเนี่ยนะท่านทำลายไป ไอ้ส่วนที่มาเกิดเป็นมนุษย์อีกไม่เกินชาติเดียวแต่ถ้าเป็นมัตรดับอรหัตตะมัคทำลายอาวิชชาที่ทำให้เกิดในการมาพบทั้งหมดเลยอนาคามีมมัคเนะี่ยเพราะอนาผานาคามีจะไม่ปฏิสนธิในในการมาพูมอีกเลยแต่นี่เรากำลังเรียนของพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระองค์เนี่ยทำลายอาวิชชาทั้งทั้งสามหมดเลยเพราะอะไรเพราะ ไม่มีอะไรในสังขารสามและผลของสังขารสามที่พระองค์ไม่ทำปริญญาไม่มีอะไรที่พระองค์ไม่เคยวิเคราะห์ไม่เคยพิจารณาสิ่งทั้งหมดพระองค์พิจารณาหมดเลยเะงั้นพระองค์ก็เป็นผู้ที่เป็นผาฐานเพราะทำลายซีกรรมแห่งสังสารจักกได้ได้ยางหมดเกลี้ยงเลยนะอันนี้ก็เป็นการทำปริญญาในในธรรมะคืออวิชชาวะ ถ้าผู้ที่รอบรู้อวิชชาเนี่ยจะต้องรอบรู้สิ่งเหล่านี้จึงจะชื่อว่าทําปริญญาในอวิชชาหรือถ้าจะทวนมาจากจากข้างหลังมาข้างหน้านี้ก็เท่ากับว่าไปรอบรู้ในในเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายนั่นนะครับนะภายในภายนอกไล่ขึ้นมารอบรู้ในสิ่งนั้นเนี่ยก็ไล่เข้ามาสู่อ ว, วิชชาก็เท่ากับว่าทําปริญญาไปไปไ ป, ไปกลับกลับได้ถามว่า ยากหรือง่ายไม่ง่ายเลยไม่ง่ายเลยเพราะฉะนั้นนี่นะผมเห็นแล้วว่าการเจริญนิพพสนาาไม่ใช่ของง่ายไม่ใช่ของง่ายก่อนอื่นปริญญาต้องดีความจำต้องดีแต่ก็เราเป็นอุปนิสัยของเรานะอย่าไปอย่าไปจาว่า<อ>เจริญ น, นิัพานอะไรนี่เจริญพุทธคุณนะยังไม่ง่ายเลย <laughs> เ น, น, นี่เป็นสมถานนะถ้าจะว่าไปนี่การเจริญแบบนี้ว่า จเจริญสิ่งที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านรู้อะไระท่านรู้อะไรแล้วท่านละอย่างไรและท่านทําลายบาปอกุศลธรรมทั้ ง, ลงลหลายเหล่านี้อย่างไร <led> การเจริญอนุสติเนี่ยนะโดยเฉพาะพุทธานุสติเกื้อกูลต่อการเจริญอริยสัจมากเกื้อกูลต่อการทําปริญญานิยางมหาศาลเนี่ยนะเพราะฉะนั้นธรรมะหกที่ควรเจริญได้แก่ธรรมะมวรตที่ควรเจริญได้แก่อนุสติ6อุติกืก ทำหนึรร 1, ควรเจริญได้แก่เลยกายคตาสติสาตาสหาคตาหมายความว่าเจริญกายคตาสติสหรคตด้วยความสําราญทำสองที่ควรเจริญได้แก่สมถะกับวิปัสนาทำสามที่ควรเจริญได้แก่สมาธิสามทำสี่ที่ควรเจริญได้แก่สติปฐาน4ี่ทำหที่ควรเจริญได้แก่สมาธิห้าทำหกที่ควรเจริญได้แก่อนุสติ6เ น, นี่ย <Tier S 1> อนุสติ6กทำเ7ที่ควรเจริญได้แก่พอดชงเจ็ด นะทำแปดที่ควรเจริญได้แก่มักมีองแปดทำเก้าที่ควรเจริญได้แก่ทำมีโยนิโสโมนัิการเป็นมูลเก้าที่ว่ากายยคตาสติด้วยสมองละพดด้วยสุตสำราญนี่หมายความว่าไงก็คือเจริญกายยัคตาสติระดับจตุทชาญนะคื อ, อการเจริญอนานาปานาสติก็ชื่อว่ากายคคตาสติด้วยนะ นั่นนะกายัคตาสติเนี่ยนะจะตุทะฌานที่มีกายเป็นอารมณ์เนี่ยนะโดยเช่นมีอนาปานะเจริณาปานะสติเนี่ยก็ชื่อว่าเจริญกายัคตาสติสาตสาคตะเหมือนกันนั่นนะแต่ที่จริงเราจะได้เรียนอีกครั้งหนึ่งในพุทธคุณบทว่าสัมมาสัมพุทโธสัมมาสัมพุทโธนะที่จะได้เรียนใช้หมดเลยในนี้เราก็ยังอยู่ในบทว่าอรหังอยู่นะคุณลาวันก็ไม่ต้องรีบก็ได้ไม่ใช่คือสงสัย ข้อนึก่อนนะคะจะไปจากหนร่รางาถาหนึ่มันมากไปอ๋อคือหมายคขาว่าแค่ไหนจริงจะชื่อว่าสาตาสาหกตาท่านจะต้องเอาสูงสุดไว้ก่อนนะส่วนใครจะทําได้เท่าไหร่เป็นเรื่องเฉพาะตัวไปนี่นะพรานจะต้องเอาเกณฑ์มาตรฐานเป็นเกณฑ์ก่อนเช่นเอาภาษาบุตรเป็นต้นเป็นเกณฑ์นะว่าท่านเจริญได้ขนาดไหนส่วนบุคคลที่เหลือถ้าเอาเราเป็นเกณฑ์หมดนั่นจะได้อะไรบ้างก็ไม่รู้แสดงธรรมนี่สงสัยพูดไม่ค่อยออกเลยอ่ะจะช่วยทวนทิ้ได้ไหมครับปริญญาธรรม อ๋อเมื่อกี้แหละเมื่อกี้เนี่ยเป็นพาเวตประธรรมอ๋าพาเวครับใช่ใช่ใชทำที่ควรเจริญ น, นะหนึ่งกายคตาสติสาตตาสหคตาเนี่ยน ะ, จะเจริญกายคตาสติที่สหรค ด, ด้วยความสำรานที่สหรคด้วยความสํารางสาตตาตอนนั้นแปลว่าความสํารานงั้ น, นด้วยความสํารานออยู่ในทัุตระสูตรก็มีอยู่ในอภิอภพินยญานิเทศไม่ใช่ปฏิสัมพิธามัคสุตตามยญาญานก็มี ใชรับหกนะิบแดนที่สสมาถามวิปัสนาสสมาถามวิปัสนาสมสมาธิ3สมาธิสมคืออะไรอ่าสมาธิมีวิตกวิจารหนึ่งสองสมาธิไม่มีวิตกมีแต่วิจารสามสมาธิไม่มีทั้งวิตกไม่มีทั้งวิจารเนี่ยนะแล้วก็ที่สี่ก็คือสติปฐาน4ี่เนี่ยนะทำสี่ที่ควรเจริญสมาธิหส่วนทำห้าที่ควรเจริญก็คือสมาธิห้าเช่น สุกพรรณนาสุขแพ่สุขแพ่ปีติแพ่อะไรเข้าเนี่ยนะแพ่แสงสว่างเขามีตั้งหลายแผ่ด้วยกันแล้วก็มีสุดท้ายก็ปัจจเวกขณะนิมิตอะนุสติหกนุสติ6กก็หนึงพุทธานุสติใช่ไหมสอธรรมานุสติ 3. สังขานุสติสีศีลานุสติ5้าจารานุสติ6เทวตานุสติเนี่ยนะ พ่อชงเจมัดแปพ่อชงเจ็ดมัดแปดทำทำมีโยนิโสมราสิการเป็นมูลมันอยู่นไหนครับออยู่ในท่าสุดตะสูตรก็มีท่าสุดตะสูตรเนี่ยไหนท่าสุดตะสูตรหลังสังคีตีสูตรอีกสูดหนึ่งสูตรสูตรนี้อยู่หลังสังคีติสูดเนี่ยไหสังคีตีสูตรจบก็ท่าสุดตะสูตรแล้วก็จบทีขณิกายสูตรที่สามสิบสี่ของทีขณิกายทีขณิกามีสามสิบสี่สูดสูดสุดท้ายเลย ที่เรียกว่าท่าสุดตรสัสรู้แล้วก็อีกที่หนึ่งก็อยู่ในปฏิสัมพิธามมัคปฏิสัมพิธามัค ป, ปริ ญ, ญ, ญ, ญา ย, ยานิเทศในสุตตมยายานเออขออภัยาเวตัพภานิเทศเนี่ยนะ <ทำ S 1> พูด ถ, ถึงถในเล่มหกสิบแปดนะก็ไปดูได้ในปฏิสัมพิธาปฏิสัมพิทาภาคหนึ่งทำเก้าก็บอกนะว่าทำนะมีโยนิโสเป็นมูลเก้าเนี่ยนะเออ สนทนาธรรมแล้วก็มีคําถามขึ้นมาคําถามหนึ่งครับนะผมบอกว่าก็การเจริญวิปัสสนาเนี่ยก็คือการทําปริญญานั่นแหละในทุกขสัจปริญญามีตั้งสมระดับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะตั้งระดับต้นไปถึงกระทั่งระดับที่สเนี่ยนั่นบรรลุมรรคผลได้เลยแล้วก็ถ้าหากว่าทําปริญญาในในทุกขสัจหรือว่าใน รูปปะขันถ้าหากว่าสามารถรู้แจ้งรู้ชัดบรรลุแล้วก็เท่ากับว่าเรามีปัญญารู้ทั้งนามขันอีกอีกเลยนามะขันอีก4นั่นนะ่ะกล่าวไว้อย่างนั้นเนี่ยนะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกันแล้วก็ผมก็บอกว่าถ้าอะไรมาเกิดขึ้นนะถ้ามันเป็นสัตว์จะอะไรถ้ามันเป็นทุกขสัตว์พระพงษ์ตัดบอกว่าให้กาหนดรู้กาหนดรู้ก็คือทาปริญญาานั่นเอง คุณจุมพานเขบอกว่าเออไหนลองลองทำปริญญาขณะที่โทสะมันเกิดสินะโทสะมันเกิดแล้วเนี่ยนะเราจะทำปริญญายัางไงนะอันนี้ผมบอกว่าต้องให้ท่านอาจาร ย, าย์ใหญ่ต้องเพราะอาจารย์เล็กไม่ได้นะนะถ้าหากว่าจะทำปริญญาแค่ แค่จิตเห็นอย่างนี้สบายมากเพราะว่าได้ยินมาจนชินนะหรือว่าจะทำปริญญาของฝ่ายอารมณ์ซึ่งเป็นรูปก็สบายมากนะปริทำปริญญาในรูปที่มันเป็นวัต ถ, ถุนะที่เกิดของจิตก็สบายเพราะฟังมาเยอะนะตอนนี้ทำปริญญาในเรื่องของโทสานี่ไม่ใช่ง่ายนักนะนะอืม ก็ผมควรท่านจะได้ชี้แจงผมจะได้จดจำเอาไว้มั่งถ้าพูดถึงโทสะนะตามแล้วก็ต้องน็กถึงนิวรณ์บัพพานะเพราะว่าโทสะเวลาเกิดขึ้นเป็นพยาปา่านิวรณ์น่นะเป็นเครื่องกลางกั้นชนิดหนึ่งซึ่งกลางกั้นการเกิดขึ้นของกุศลไม่ให้กุศลธรรมเนี่ยเกิดสืบเนื่อง โทสะก็คือนิวรณ์เป็นเครื่องกลางกางันพงศ์ตรัสว่าเมื่อพยาบาท่หรือโทสะเนี่ยนะมีอยู่หน้าภายในจิตก็รู้ชัดว่ามันมีอยู่หน้าภายในจิตจิตที่มีโทสะมีกี่ดวงมีสองดวงใช่ไหมะน ะ, ะเมื่อพยาปาท่านิวรณ์ไม่มีอยู่หน้าภายในจิตก็รู้ว่าพยาบาทนิวรณ์ไม่มีอยู่หน้าภายในจิตก็จิตดวงไหนที่ไม่มีพยาบาทบ้าง ก็คือขณะอื่นๆไม่มีพยาบาทเลยเว้นไว้แต่ขณะชาวนะที่เกิดร่วมกับโทสะขณะอื่นๆเป็นจิตที่ไม่มีโทสะหมดเลยทีนี้คําว่ารู้ชัดเนี่ยนะเมื่อเมื่อพยาปาท่านิวรนเกิดขึ้นก็รู้ชัดซึ่งลักษณะของเขาเนี่ยเกิดขึ้นก็เป็นยังไงดุร้าย น, นะแล้วก็เผาสัมปยุตรธรรมเนี่ยนะเผาสัมปยุตรธรรมที่เกิดร่วมกันเนี่ยนะแล้วก็ทําจิตตะเชรูปที่ไม่ค่อยดีออกมา แม้กระทั่งสีหน้ากิริยาท่าทางตลอดจนถึงคําพูดอิริยาบททั้งหลายที่มีโทสะเป็นสมุฐานก็ไม่ดีแล้วพุทธพจน์ยังตรัสต่อไปว่าพยาปาท่านิวรที่ยังไม่เกิดจะเกิดด้วยประการใดรู้ชัดประการนั้นด้วยถ้าโทพยาปาท่านิวรที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะจะละได้ด้วยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วย พยาปาท่านิวรณ์ที่ละได้แล้วจะไม่เกิดต่อไปด้วยประการใดรู้ชัดประการนั้นด้วยคาถามีอยู่ห้าคำห้าคำง่ายๆหนึ่งว่าไงมีอยู่ณาภายในจิตก็รู้ว่ามีอยู่ณาภายในจิตสองเมื่อพยาปาท่านิวรณ์มไม่มีอยู่ณาภายในจิตก็รู้ว่าไม่มีอยู่ณาภายในจิตอันนี้ต้องท่องคาถาให้คล่องกันนะข้อสองนะไม่มีสาม พยาปาท่านิวรที่ยังไม่เกิดจะเกิดด้วยประการใดรู้ชัดประการนั้นด้วยเดี๋ยนะอ่ะไอ้ที่ยังไม่เกิดนี่นะถ้ามันจะเกิดเกิดเพราะอะไรก็รู้ด้วยแล้วก็คาถาคําที่สีว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วจะละได้โดยประการใดรู้ชัดประการนั้นด้วยคาถาที่5อันนี้ยากเลปฏิบัติยากคือเ <arte> ม a, ื่อละได้แล้วจะไม่เกิดต่อไปด้วยประการใดรู้ชัดประการนั้นด้วยคาถานี้ละรู้ยากมาก ต้องระดับอนาคตมีมากเลยแหละจึงจะรู้ได้ น, น, นะนะสี่คำแรกกันมีอยู่ณภายในจิตเนี่ยนะส่วนใหญ่ทั่วๆไปก็พอรู้แล้วใช่ไหมว่าถ้าโทสะเกิดขึ้นแล้วมันเป็นยังไงอคําว่ารู้ว่าโทสะเกิดขึ้นเนี่ยนะถ้าอุ ป, ปมา ก, ก็เหมือนกับว่าถ้าไฟไหม้บ้านแล้วเรารู้ว่าไฟไหม้บ้านเนี่ยนะเรารู้เฉยเฉใช่ไหมเออตอนนี้ไฟกําลังไหม้บ้านนะไม่ น, นนะปล่อยให้มันไหม้ไปดูมันไปอย่างนี้หรือเปล่า วอวายแน่นะแต่ยิ่งมันต้องระวังอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าพยาปาทะาเกิดขึ้นนี้ให้รู้ทันว่านี่เป็นอกุศล น, นี่เป็นธรรมะที่ที่มีโทษมาง น, นั้นแหะชั้นแรกที่สุดเลยนะยังไงยังไงกรรมสกตาก็ให้ดีหน่อยว่าถ้ามันเกิดขึ้นแล้วโทสะอันนี้มีผลต่อชีวิตอย่างไรบ้างเนี่ยนะทำลายประโยชน์ตนไหมตอนนั้นนะ่ะเนี่ยนะ ประโยชน์ที่จะพึงได้รับในขณะนั้นไม่ว่าจะเป็นกุศลธรรมทุกชนิดที่ควรเกิดขณะที่พยาบาทเกิดกุศลเหล่านั้นไม่เกิดเลยขณะที่พยาบาทเกิดเนี่ยนะทานกุศลมีไหมศีลกุศลภาวนากุศลไม่มีเลยอันพระองค์ตรัสว่าพยาปาทะหรือว่าโทสะเนี่ยนะย่อมยังจิตให้กำเริบฟังนั่นแทิภัยที่เกิดในภายในคนโกรธก็ไม่รู้สึก คนโกรธย่อมไม่รู้อัดเนี่ยนะคนโกรธย่อมไม่เห็นธรรมคนโกรธเมื่อใดที่ถูกความโกรธครอบงํขาขณะนั้นความมืดก็เกิดขึ้นเนี่ยนะมันมืดหมดเลยนะทุกสมุทยัยอริยสัจอะไรไม่เห็นซากอย่างเลยนะนิโรธสัตว์มรรคสัจไม่มีเล ย, เ น, ยนะพระธรรมคาสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 84% ดหมพันพระธรรมขันไม่เหลือในจิตแม้แต่อันเดียวเลยนะถ้าพูดแล้วนะพระภิกษุเนี่ยนะวินัย7กองเนี่ยลืมหมดเลยหลั ง, งนะั้น พสูตเนี่ยนาะทีขณิกายสาสิสี่สูตรมัชฌิมานิกายร้อยห้าสิบสองสูต ร, ส, ตรสังยุตเจ็ดพันกว่าสูตรอังคุตเก้าพันกว่าสูตรอัขุตกะสิบห้าคำพีอภิธรรมมีเจ็ดคำพีนี่หนี้เกลี้ยงหมดบารมีสิบไม่เหลือสักอันหนึ่งกันนะ่ยบุญกิริยาสิบเนี่ยหมดเกลี้ยงแล้วกันนะ่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เนี่ยนะได้เกิดขึ้นมาแทนประโยชน์ที่พึงเกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่เกิดอสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์ก็ได้เกิดขึ้นเพราะในขณะนั้นเบียดเบียนตนเอง เบียดเบียนตนไมมขนาดนั้นคนที่กําลังโทสะจะไม่เบียดเบียนตนเลยเบียดเบียนผู้อื่นไหมนะเบียดเบียนผู้อื่นด้วยเพราะว่าคนโกรธเนี่ยโกรธเต็มในใจใช่ไหมเก็บเงียบเลยไหมเก็บชันกำลังโทสะนะอย่ามาคุยกับชั้นเลยนะพวกคุณคุณทั้งหลายชั้นกำลังโทสะอยู่แบบนั้นเถอะมีบอกอย่างนี้ไหมไม่มีรีบไปหาเขาเองเลยต้องไปแนะนําเขาหน่อยใช่ไหมต้องไปสั่งสอนให้รู้จักเราสับ้างมั้นโทสะก็จะไปเบียดเบียนคนอื่นอีกเนี่ยนะ แล้วก็เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายแล้วโทสะนี้เมื่อเกิดขึ้นเนี่ยทำให้คับแค้นเนี่ยนะก่อให้เกิดความคับแค้นในภายหลังเพราะว่าคนที่โทสะเกิดแล้วนี่นะพูดมาทางวาจาเป็นอะไรทุจริตวา จ, จีทุจริตพฤติกรรมทางกายเป็นกายะทุจริตคิดเป็นอกุศลก็เป็นมโนโทุจริตทุจริตสก็เกิดแล้วใช่ไหมทุจริตสที่เกิดขึ้นแล้วเป็นอาหารของอะไร อาหารของนิวร5นั่นนะนิวอนเกิดขึ้นก็เป็นอาหารของอวิชาเพราะฉะนั้นสัตว์จะไม่เห็นสักอย่างเลยนะอารยสัตว์ทุกขสัตว์สมุทยรยศาส์นิโรสัตว์ก็ไม่เห็นสักอย่างเลยนะียเพราะฉะนั้นถ้าโทสะมันเกิดแล้วมันเสียหายในลักษณะนี้เรียกว่ารู้ชัดโทสะเหมือนกับรู้ชัดที่ภัยเหมือนกับที่กําลังเกิดขึ้นหรือไฟกําลังไหม้บ้านเนี่ยนะมันก่อความเสียหายอะไรให้บ้างรู้ชัดแบบนั้นทันทีเลยเนีย่ยนะในอย่างหนึ่ง ทีนี้ต่อไปถ้ามันไม่มีไอ้ไม่มีก็ขณะทั่วๆไปก็ไม่มีอยู่หน้าภายในจิตใช่ไหมนี้ข้อหนึ่งว่าโทสะที่ยังไม่เกิดจะเกิดด้วยประการใดรู้ชัดประการนั้นด้วยถ้าโทสะมันจะเกิดเกิดทพร อ, อะไรปฏิฆานิมิตมีอยู่นะภิกษุทั้งหลายอโยนิโสมนสิการในปฏิฆานิมิตนั้นบ่อยๆเห็นไหนนะโทสะที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้น สิ่งเหล่านี้เป็นอาหารของโทสะที่เกิดขึ้นแล้วให้พอกพูนมากขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าอยากโกรธนะง่ายนิดเดียวคิดถึงสมมตินะเกี่ยวข้องกับใครนะั้นนึกถึงความชั่วของคนนั้นเลยนะคนนี้มีความเลวส่วนไหนบ้างเอามาคิดเยอะเยะเนี่ยนะแล้วก็ย้ําไอตรงนั้นอะ่ะบ่อยบ่อยบ่อยบ่อยบ่อยๆเช่นคนโน้นเคยด่าเราคิดถึงคํานั้นให้บ่อยๆ่ยนะมันไม่คิดก็ดึงให้มาคิดได้ต้องคิด <laughs> มันเคยด่าเรานะยังไง แล้วก็ย้ำแบบนี้บ่อยๆโทสะที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นโทสะที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเสริบสาง ม, มากขึ้นมากขึ้นเลยอย่างหนึ่งคนโน้นเคยดา่า เ, เคยตีเราอย่างเงี้ยนะคนโน้นเคยทําลายประโยชน์แกเราอาคารวัตถุทั้งหลายเนี่ยนึกให้บ่อยๆนะโทสะที่ยังไม่เกิดมันก็จะเกิดขึ้นเกิดขึ้นเะกิดขึ้นเกิดขึ้นเนี่ยนะส่งเสริมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะถ้ามันไม่ค่อยเกิดก็ไปอยู่ใกล้กับคนโทสะมากๆอีกหน่อยมันจะพอกพูนขึ้นพอกพูนขึ้นเนี่ยนะ ไปเกี่ยวข้องกับคนพวกพยาบาทวิตกเยอะๆเดี๋ยวก็เป็นเองนะี่นะพวกมิจฉาวาจาทั้งหลายแหละเนี่ยนะแล้วไปเกี่ยวข้องกับคนที่มีความผิดทุกชนิดอนะงี้ยนั่นแหละผลปีดปฏิฆาณิมิตทั้งหลายแหละเป็นอาหารของโทสะอะโยนิโสมนสิการในนิมิตนั้นบ่อยๆนี้เพื่อความเกิดขึ้นของโทสะที่ยังไม่เกิดเนี่ยนะให้มันบริบูรณ์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพื่อการเกิดขึ้นของโทสะอย่างที่กล่าวไปทีนี้ถ้าละโทสะละ่ะถ้าจะละโทสะละยังไง เมื่อกี้บอกว่าเมื่อพยาปาท่านิวรมีอยู่หน้าภายในจิตก็รู้ชัดว่าพยาปาท่านิวรมีอยู่หน้าภายในจิตพยาปาท่านิวรไม่มีอยู่หน้าภายในจิตก็รู้ชัดว่าพยาปาท่านิวรไม่มีอยู่หน้าภายในจิตพยาปาท่านิวรที่ยังไม่เกิดจะเกิดด้วยประการใดรู้ชัดประการนั้นด้วยเมื่อกี้ทบทวนได้ใช่ไหมว่าพยาปาท่าจะเกิดเกิดเพราะอะไรปฏิฆานิมิตมีอยู่คิดในเรื่องนั้นบ่อยๆนี่แหละนั่นแหละเพื่อ นั่นแหละคืออาหารของอาหารของโทสะนั่นคือสมุทัยของโทสะอะโยนิสโสมนสิการของปฏิฆะนิมิตนั่นแหละคือสมุทัยของโทสะทีนี้ถ้าความเสื่อมของโทสะนี่เป็นยังไงหรือว่าเดี๋ยวมันกโกรธเดี๋ยวมันเลิกโกรธมันเองอยังไงหรือเปล่าเหมือนกับไฟไหม้บ้านนี้ถ้ามันไหม้หมดหมดเสาหมดอะไรหมดแล้วมันก็ดับของมันคนเดียวอย่างงี้หรือ่าไม่ต้องรอขนาดนั้นมัง้ง เพราะฉะนั้นพระองค์บอกว่าเอเมื่อพยาปาทนิวรนที่เกิดขึ้นแล้วจะละด้วยประการใดรู้ชัดประการนั้นด้วยท่านใช้คําว่าละนะละละมีเท่าไหร่ประหานะประหานะมีเท่าไหร่แต่ทังข้าประหารสองวิคัมพะนาประหารสามสมุตเฉทประหารสปฏิปัสสติประหารห้านิสรณประหาร อันดับแรกก่อนนะว่าตะทางค่าประหารตะทางค่าประหารนี่นะโดยการพิจารณาถึงโทษภัยโดยประการต่างๆของโทสะคือเนื่องจากรู้จักโทสะพร้อมทั้งเหตุใกล้ของโทสะแล้วใช่ไหมเหตุใกล้ของโทสะคืออะไรนั่เมื่อกี้<ม>อโยนิโสมนานสิการในปฏิฆานิมิตหรืออาคาตวัตถุ ก, ก้านั่นแหละเป็นเหตุใกล้ของของโทสะนี่นะก็รู้ปัจจัยของโทสะอย่างนี้แล้ว ทนี้โทซาอันนี้จะเกิดถ้าได้ปัจจัยอย่างนี้มันก็จะเกิดบ่อยเกิดบ่อยเกิดบ่อยเพราะฉะนั้นอยากที่โกรธมากๆก็ไปหาเรื่องที่มันไม่ค่อยดีมาคิดเยอะๆเนี่ยนะมีนะโยมคนหนึ่งเขาเขาแปลกนะเขาวันๆหนึ่งเขาคิดมีแต่คนเลวทั้งนั้นเลยเออเสร็จแล้วเขาเนี่ยเครียดเนี่ยนะยิ้มไม่ค่อยออกทุกมากว่างั้นเถอะแต่เขาวันๆเขาคิดถึงแต่คนเลวว่างั้นเออมันก็น่าทุกข์อยู่หลอกว่างั้น ก็พ่ออะไรพ่อใส่แต่ฟืนให้โทสะตลอดตลอดตลอดตลอดคิดถึงแต่ความผิดของคนอื่น น, น, นะนะที่คนอื่นไปทำบุญตั้งเยอะแยะเนี่ยนะไปปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยสัตว์ไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ไปเลี้ยงคนชราไม่คิดอ่ะคิดไม่ออกเนี่ยนะแต่คนเลวคนสองคนนี่หมาไปตอกย้ําอยู่ตรงนั้นเนะลยคนนี้ก็เลยทุกมากเลยทีนี้ถ้าจะละโดยแต่ทางฆ่าประหารในชั้นต้นก็คือพิจารณาโทษภัยของโทสะเช่นพิจารณากรรมสกตา เรื่องที่เราโกรธนี่นะก็พิจารณาเหมือนอย่างที่เมื่อกี้ที่บอกว่าอา้าวถ้าโกรธด้วนะเป็นบา ร, รมีสักข้อไหมในบรรดาบา ร, รมีสิบโกรธแล้วฐานะบา ร, รมีนี่เกิดเลยเนาะนี่ปัจจัยของนิพพานไม่มีเพราะฉะนั้นข่าโกรธไม่ได้เป็นไปเพื่อพระนิพพานสองถ้าโกรธนี่เป็นศีลบา ร, รมีไหมไม่ใช่เลยถ้าโกรธแล้วเป็นเนคขมมะบา ร, รมีไหมเนคขมมะคือสมถะใช่ไหมตรงกันข้ามตัวทําลายเนคขมมะเลย ถ้าโกรธเนี่ยขณะนั้นมีปัญญาไหมปัญญาบารมีเนี่ยเกิดเลยกรรมสกตาปัญญาเป็นต้นวิปัสนาปัญญาสุตตมยาปัญญาเนี่เกิดไหยไม่มีสักอันเลยนะแล้วถ้าโกรธอย่างนี้แล้วขันติบารมีมีไหมเดี๋ยวตรงกันข้าว น, านะนัเป็นตัวทําลายขันติบารมีเลยนะแล้วขณะที่โกรธเนี่ยชื่อว่าคนมีความเพียรหรือเกียรตครานก็เพียรเพียรกําจัดอกุศลวิตตกเพราะฉะนั้นถ้าปล่อยให้ความโกรธเกิดขึ้นคนนั้นชื่อว่าคนเกียดคราน ขาดวิริยะบารมีทีนี้ถ้าโกรธบ่อยๆเนี่ยนะเชื่อว่ามีสัจจะไหมเคยสมาทานไหมว่าตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปสมาทานว่าจะให้โทสะเกิดขึ้นตั้งสัจจะแบบนั้นไหมไม่ ม, มีมีแต่โอ้โหจะปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนใช่ไหมมีแต่ตั้งสัจจะแบบนี้ไม่มีคําสอนสักข้อสอนให้โกรธเลยนะเพราะฉะนั้นสัจจะบารมีไม่มีเมตตาบารมีก็ไม่เกิดเมตตานี่ขาดต่อคนอื่นหมดเลยนะโดยเฉพาะขาดเมตตาต่อตัวเองก่อน ทีนี้บอกว่าคนบางคนนี่หลายหลายคนก็บอกว่าที่โกรธทุกวันเนี่ยนะเพื่อคนอื่นทั้งนั้นเลยพูดยังกันน่าเชื่อมากแบบนงงั้นเช่นโกรธวิตกกั ง, งวลอยู่ทุกวันนี่ก็เพื่อลูกเพื่อล้านอะ่า ง, งั้นแต่ก็ขาดความเมตตาต่อตัวเองอนะที่จริงก็ไม่ใช่หรอกพรมิหารก็สอนให้เจริญให้ตัวเองก่อนนะเขาไม่ได้ไปเที่ยวจะสอนให้เจริญให้คนอื่นก่อนนะเขาเจริญให้ตัวเองก่อนเพราะั้นตัวเองกําลังโกรธอยู่แต่ให้คนอื่นมีความสุขมันจะเป็นไปได้ยังไง ถ้าหมอเนี่ป่วยสงัสงเออสังแห่อยู่เนี่ยนไม่มีคนไข้มาหาแน่นะก็กลัวก็ติดเชื้อจากหมอหรือเปล่าก็ไม่รู้นเพราะฉะนั้นคนที่โกรธก็แสดงว่าขาดเมตตาบารมีถ้าโกรธก็ไม่มีอบอุเบกขาบารมีเลยเดี๋ยนะเพราะขาดความวางใจนั่นเองบารมีสิบนี่ขาดอุปบารมียิ่งห่างเลยนะปรัมมัทธบารมีไม่ต้องพูดถึงเลยบุญกิริยาวัฏถุสิบนี่นะทานศีลภาวนา ฟังธรรมเนี่ยนะขณะที่ฟังธรรมขณะโกรธชื่อว่าฟังธรรมไหมเอาถ้าบุญที่เกิดจากการฟังนี้เป็นกุศลหรืออกุศลกุศลเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่บุญประเภทฟังธรรมถ้าพูดด้วยโทสะนะอย่างถาสมมติท่านพ่มากำลังพูดตอนนี้โทสะมันเกิดนะเชื่อว่าได้บุญเพราะเทศนาธรรมไหมมีที่ไหนโอโ้โหโทสะเป็นสมุทฐานแนะพูดเสียงเนี่ยเรียกว่าธรร ม, มะแหะแต่ว่าเปเรียกว่าบุญที่เกิดจากการแสดงคำนั้นไม่ใช่เลย ลัค น, นะที่โทสะพูดถึงจะพูดท ร, รมากก็ช่างเถอะขณะนั้นก็ไม่ใช่กุศลเนี่ยนะไม่ใช่บุญกิยาวัตถุประเภทแสดงธรรมหรือก้มลง ก, กราบใครเนี่ยนะถ้ากราบด้วยโทสะก็ไม่ใช่บุญประเภทนอบน้อมอีกไปช่วยเหลือใครด้วยโทสะก็ไม่ใช่นะวยาวัจมัยอีกเนี่ยนะถ้าหากว่าใครทำบุญรักษาทูแบบกระแทกแดกดันอีกก็ไม่ใช่อนุโมทนาไมาอีกเนี่ยนะน หรือว่าแหมทําบุญเสร็จแล้วโทสะแล้วเหมือนกันแหมจะเอาให้ไปให้หมดเลยเงี้ยโทสะ้วยนะก็ไม่ใช่ว่าปฏิทานามามองอย่างนั้นนะอ่ะอุที่ส่วนกุศลให้คนอื่นที่ถูกชู้กรรมเนี่ยเสียหมดแล้วขนาดนั้นเพราะวิชานี่กลุ่มรุมหมดบุญกิริยาวัตถูสิบไม่เกิดไม่มีดีเลยอย่างนั้นเดีแล้วอะไรถามว่าที่เขาตกนรกกันเนี่ยเพราะสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมพระเทวทัพตกนรกเนี่ยเพราะสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมเพราะโทสะใช่ไหม คนอื่นๆก็เหมือนกันนะไปศึกษาประวัติของคนที่ตกนรกทั้งหลายแหลให้หมดเลยนะเกิดจากโทสะทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะโทสะแล้วมันเป็นปัจจัยแก่ริศยาด้วยนะเพราะว่าริศยาเกิดร่วมกับโทสะมัฉริยะก็เกิดร่วมกับโทสะแล้วก็โทสะก็เป็นอาหารของอวิชชาด้วยก็พิจารณาโทษภัยของโทสมากๆอันนี้เป็นตะทางค้าประหารเนี่ยนะเป็นตะทางคาประหาร ทีนี้ถ้ารอบรู้โทสะพร้อมทั้งปัจจัยแล้วก็พิจารณาโทสะเนี่ยนะซึ่งเป็นตัวที่ก่อให้เกิดทุกข์ทีนี้ก็มาวิเคราะห์ว่าโทสะถ้าจะเกิดเกิดกับอารมณ์ใดเกิดกับอารมณ์อะไรอารมณ์ที่เป็นปฏิฆะนิมิตใช่อารมณ์ที่อะไรก็ได้ที่เราไม่ชอบนะสิ่งนั้นถึงจะดีก็ช่างเถอะถ้าเราไม่ชอบสิ่งนั้นเรียกว่าปฏิฆะนิมิตใช่ไดอกไม้งามๆนี่นะ โดยธรรมดาทั่วๆไปคนก็เรียกว่าดอกไม้งามแต่ถ้ามาตั้งผิดที่นะเป็นไงดอกไม้นั้นจะเป็นปฏิฆานิมิตทันทีเลยอาหารที่เราชอบมากๆเลยนะเขายกมาให้ตอนที่เราอิ่มแล้วนะเราไม่คิดจะกินอีกแล้ว น, นะอันนั้นจะกลายเป็นปฏิฆานิมิตทันทีนะโดยทั่วๆไปเนี่ยนะเพราะฉะนั้นปฏิฆานิมิตนี้เป็นอารมณ์ของโทสะถามว่าทําไมคิดยังไงอารมณ์นั้นจึงเป็นโทสะก็ไปวิเคราะห์อารมณ์นั้นอีกครั้งหนึ่ง แสดงว่าเราหวังในอารมณ์ก็บอกว่าไอ้โทสะอีกชื่อหนึ่งเรียกโสกะอย่างหนึ่งนะโสกะปริเทวะทุกขหรือโทมนัสอุปายาตเนี่ยโดยทั่วไปเป็นชื่อของโทสะนะโสกะก็เป็นชื่อของโทสะปริเทวะก็เป็นชื่อของโทสะโทมนัสก็เกี่ยวข้องกับโทสะอุปายาตก็เกี่ยวข้องกับโทสะเพราะฉะนั้นถามว่าโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสเกิดจากอะไรเกิดจากอะไรพงว่างไงนะ บอกความรักมีโศกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตเป็นผลนี้เป็นผลแห่งความรักนั้นก็แสดงว่าเราหวังในอารมณ์นั้นอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนหน้านี้อย่างแน่นอนจึงมามีโทสะในเรื่องนี้สมมุติว่าวันนี้เราตั้งใจว่าฝนไม่น่าตกแต่ฝนมันตกเราเลยโทสะในในฝนก็สร้างความหวังไว้ก่อนหน้านั้นทั้งนั้นแหละจึงได้ผิดหวังในเรื่องนั้นถ้าไม่สร้างความหวังไว้ในอารมณ์นั้นเนี่ยนะก็จะไม่มี โทสะเพราะนั้นก็ต้องไปวินิจฉัยไอ้ตันหาอีกครั้งหนึ่งเพราะตันหานี้เป็นสมุทัยแห่งโทสะเนี่ยนะเนื่องจากความหวังทั้งนั้นเลยแล้วทำไมจึงไปหวังในอารมณ์นั้นเนี่ยเพราะอะไรก็ไปวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่งที่เรียกว่าการมฉันทานิวอนก็ไปวิจัยตัวการมชฉันทานิวนอีกครั้งหนึ่งนะแล้วอารมณ์ที่เราโกรธอะจริงๆแล้วอารมณ์นั้นน่ะคืออะไรถามว่าโกรธอะไรโกรธสีใช่ไหม สีเกิดจากสมุธฐานสี่เกิดจากกรรมจิตอุตุและอาหารโกรธสีที่เกิดจากสมุธฐานไหนล่ะโกรธเสียงใช่ไหมเสียงนี่เกิดจากสมุธฐานสองคือจิตและอุตุโกรธจิตที่เป็นโทสะทําให้มีสมุธฐานใช่ไหมโกรธจิตที่เป็นโลภะที่เป็นสมุธฐานของเสียงหรือว่าโกรธจิตที่เป็นมหาปุศลที่ทําให้เกิดเสียงหรือโกรธเสียงชนิดไหนกันแน่เนี่ยนะก็แยกแยะเสียงที่เราโกรธจริงๆอ่ะนะ ว่าโกรธคำไหนกันแน่แล้วคำนั้นมีจิตอะไรเป็นสมุธฐานเนี่ยนะแล้วคนที่พูดคำนั้นเนี่ยนะมีผลยังไงเอากรรมะสกตาใส่ลงไปโกรธคนนี้เขากําลังจะตกนรกเหรอมันโกรธคนที่กําลังจะตกนรกใช่ไหมอ๋อเพราะว่าถ้าความโกรธมันให้ผลนะผลผลของความโกรธเกิดที่ไหนล่ ะ, ะตกนรกถ้าโทสะเกิดในเวลาใกล้ตายนะโดยปกติจะนรกสะส่วนใหญ่เนี่ยนะถ้าโทสะเกิดใกล้ตายนะชวนะสุดท้ายเนี่ย แล้วก็วิเคราะห์ต่อไปถ้าโกรธโกรธกลิ่นโกรธขยะยเงี้ยนะหรือโกรธโกรธอะไรกันแน่บาง้่านแต่วิเคราะห์อารมณ์ที่โกรธให้หมดว่าเป็นรูปารมสัทธารม์คันธารมรสารมและโพธพารมธรรมารมทั้งหลายที่เราโกรธเนี่ยนะก็มาแยกแล้วก็อารมณ์เหล่านั้ น, นเกี่ยวข้องอย่างไรจึงได้โกรธเพราะเกี่ยวข้องเพราะไปเห็นมาก็เออนะจากขู่กับรูปเกิดจากขูวิญญาณจากขูวิญญาณที่เกิดเนี่ยมันเป็นกรรมของใครกันแนะ่ อ่ะสมมตินนะถ้าของขามาเห็นคุณชะอมเนี่ยนะจากครูวิญญาณเขาจะมาเกิดเนี่ยเกิดจากกรรมใครงง ก, กรรมของคนเห็นนั่นแหละไม่ใช่กรรมของคุณชะอมนะใช่ไหมใครเห็นก็กรรมของคนนั้นอนะ่ะสมมติถ้าเราไปเห็นของที่ไม่ชอบไปเห็นอสุนัขสักตัวหนึ่งที่เราไม่ชอบนะพูดอย่างงี้คุณนิราวันชอบบ้างนะเขาชอบสุนัขมากะนะไปไอตัวที่เราไม่ชอบอย่างนั้นเด้อทีนี้ไปเห็นปั๊บเนี่ยนะถามว่ากรรมของใครทําให้เห็นสุนัขตัวนั้นะ ก็กรรมของเราอ่ะแล้วทําไมไอ้ตอนที่ทํากรรมในอดีตทาไมไม่ไปโกรธกรรมล่ะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยถ้ามาเห็นแล้วก็ทํากรรมใหม่แล้วนะที่ไม่ชอบโทสะก็ทํากรรมใหม่แล้วนะทําไมไม่โกรธกรรมอันนี้เพราะจะได้ไปเห็นไอ้สิ่งที่ไม่ดีอีกต่อไปถ้าโกรธจริงก็ต้องโกรธไอ้กรรมอันนี้ด้วยที่ทํากรรมอันใหม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะโกรธกรรมในอดีตด้วยโกรธวิบากด้วยโกรธทํากรรมใหม่ด้วยเนี่ยนะแล้วโกรธไอ้จิตที่โกรธนั้นด้วยนะ เรีว่าเกลียดให้มันหมดไปเลยนะจะได้เบื่อหน่ายสักเพียงจะได้พ้นทุกสักเพีงเอาให้หมดเลยเอาไหมมันก็โกรธเป็นบางอย่างไม่เอาเป็นบางอย่างว่างั้นนะะเขาบอกมันไม่เลวทั้งหมดหละมั้งอย่างนั้นยังหาส่วนดีเอาไว้หน่อยไหมก็วินิจฉัยถึงอารมณ์ที่เป็นปัจจัยให้โกรธทั้งหมดเลยพร้อมทั้งปัจจัยของความโกรธแต่ว่าไอ้โทสะอันนี้เนี่ยมีอะไรเป็นมูลมูลของโทสะมีอะไรมูลเนี่คือรากไง รากของโทสะเนี่ยโดยสหาชาตินี่ก็คือโมหะเป็นมูลก็ในขณะนั้นไม่ได้เห็นอริยสัจอะไรเลยเนยขณะที่โทสะเกิดขึ้นเนี่ยทุกขสัจสมุทยัยนิโรธก็ไม่เห็นแล้วก็มีโลภะเป็นต้นเป็นอุปนิสัยของโทสะเนี่ยนะทีนี้ก็พิจารณาว่าโทสะอันนี้ถ้าเกิดในบุคคลใดเนี่ยทำบุคคลนั้นให้เสียหายอย่างไรบ้าง ก็ไปกรอพิจารณาในสัตว์ทุกภพภูมิถ้าเขาโกรแล้วมีผลอย่างไรเนี่ยนะก็พิจารณาแล้วพบใดภูมิใดที่ยังมีโทสะแล้วโทสะเหล่านี้เกิดจากอะไรเนี่ยนะก็วิเคราะห์ทั้งหมดเนี่ยนะอันนี้เป็นลักษณะของตะทางค่าปะหารทั้งหมดเนี่ยนะก็คือทำปริญญานั่นเองทั้งยาตะปริญญาและตีระปริญญาถ้าพูดถึงโทษภัยของโทสะอันนั้นเป็นลักษณะของตีรณปริญญา ถ้าคนมีบุญมากมีปัญญามากก็เป็นปะหานะประิญญาด้วยในขณะเดียวกันเนี่ยนะทีนี้ถ้าจะวิขำพรนะประหารโทรสะทำไงก็คือพิจารณาโทษภัยของโทสะอย่างที่กล่าวไปแล้วอย่างหนึ่งเนี่ยนะแล้วก็พิจารณาอานิสงค์ของความไม่โกรธก่อนอย่างหนึ่งเสร็จแล้วก็เจริญเมตตาให้แกสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะเจริญเมตตาให้แต่กัอเจริญให้ตัวเองก่อน เออนี่เกิดมาหาความทุกข์อย่างนี้ใช่ไหมก็ถามตรงๆเลยนะเออนี่เกิดมาหาความทุกข์ใช่ไหมหรือเกิดมาหาความสุขกันแน่เฮ้ยก็ไม่ได้ทีแรกก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาหาทุกข์เอ้าแล้วแต่มาทุกข์ทำอะไรอย่างเงี้ยนะก็ถามตัวเองอย่างนี้ก่อนเออนี่นะตัวเจ้าเนี่ยต้องการความสุขใช่ไหมไม่ต้องการเวรใช่ไหมไม่ต้องการความเบียดเบียนใช่ไหมไม่ต้องการความเดือดร้อนใช่ไหมก็เจริญเมตตานี้ให้กับตัวเองหนึ่งเราไม่ต้องการความทุกข์แสดงว่าเราต้องการความสุข เราต้องการความไม่มีเวรนะต้องการความไม่เบียดเบียนต้องการความไม่มีภัยเนี่ยนะเออทำอยังไงจะบริหารตนให้อยู่เป็นสุขละ่ะโดยที่ไม่มีเวรเบียดเบียนภัยทั้งหลายเหล่านี้เสร็จแล้วก็คิดเจริญไปหาบุคคลอื่นอีกเนี่ยนะเจริญไปหาใครเจริญไปหาคนที่เราเคารพเป็นต้นเนี่ยนะเช่นครูบาอาจารย์เป็นต้นหรือว่าถ้าผู้หญิงก็ควรเจริญให้แม่ผู้ชายก็ควรเจริญให้พ่อเป็นต้นเนี่ยนะอ่าก็บอกว่าเน้นอย่าไปเจริญเพศตรงข้ามเดี๋ยวจะเดือดร้อนเนี่ยนะ พันธะ เ, เพศตรงข้ามให้เจริญรวมๆไปเลยเมาๆสมมุติถ้าผู้ชายเจริญให้ผู้หญิงทั้งหมดมีความสุข<ฮ>เดี๋ยวไปพิเศษคนใดคนหนึ่งะเดือดร้อนอีกละนั่นนะถ้าผู้หญิงก็เจริญให้ผู้ชายก็รวมๆเออให้มีผู้ชายทั้งหมดมีความสุขเพรา ง, งั้นพอละอย่าไปแช่ยอยู่นานเสียหายนั่นนะเขาบอกว่าโทสะมเีเมตตามีอะไรเป็นศัตรูใกล้โลภะเป็นศัตรูใกล้นะศัตรูไกลคือโทสะเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ควรกลัวคือศัตรูใกล้นะเวลาเจริญจริงๆเนี่ย น, นะ เพราะว่าคนที่เจริญเมตตาศัตรูไกลไม่ได้ช่องอยู่แล้วไอแต่ศัตรูใกล้นี่มันจะเข้ามาแทนเพราะฉะนั้นก็ระวังในเรื่องนี้ด้วยอย่างหนึ่งระวังกันข้อควรระวังระวังนันทีนี้แล้วก็เจริญไปอย่างเงี้ยไปหาคนอื่นๆทั่วๆไปเนี่ยนะเจริญให้คนในรอบแล้วก็หัดเจริญไปเรื่อยๆเจริญคือยังไงก็คืออัพพยาปาทวิตกนั่นแหละเห็นไหมคิดยังไงก็ได้ให้คนอื่นเขามีความสุขเหมือนอย่างที่ตัวเรากําลังมีความสุขนั่นแหละก็เจริญอย่างเงี้แพร แผ่ไปได้ถนนสาย1ตรอก1หมู่บ้านหนึ่งอำเภอ1นจังหวัดหนึ่งหรือประเทศ1 ห, หรือว่าเจริญไปทั้งโลกก็ได้ให้ทุกคนมีความสุขอย่างที่เรามีความสุขเนี่ยนะการใส่ใจถึงนิมิตเหล่านี้มากๆอันนี้ก็เป็นอาหารเพื่อความไม่เกิดของโทสะเนี่ยนะการเจริญเมตตานั่นเองหรืออีกในหนึ่งก็คือการครบคนที่เขามีเมตตานะอันนี้ก็ช่วยได้เยอะคบคนที่เข้าใจดีอ่ะนะเราก็จะพลอยใจดีไปด้วยเนี่ยนะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการสนทนาเมตตากระชาเรียกว่าหยิบแต่เรื่องที่เป็นไปกับเมตตาเนี่ยนะเอามาสนทนากันให้มากๆอันนี้ก็เป็นอาหารเพื่อความไม่เพื่อเพื่อละโทสะที่เกิดขึ้นแล้วเหมือนกันหาแง่ดีๆต่างๆของคนมาพูดถึงบ้างนะหรืออีกในหนึ่งก็ไปเจริญพวกสังฆคุณเนี่ยนะพูดถึงแต่คนดีเยอะๆเนี่ยนาถาบิณฑิกานี้ท่านดีนะอย่างเงี้ยนางวิสาขาดีนะอย่างเงี้ยหาคนดีๆมาพูด ก็อย่าไปเอาคนเลวมาพูดเหมือนนเถอะพูดแล้วโทสะมันเกิดง่ายพราะเป็นปฏิฆะนิมิตในอย่างหนึ่งนะก็อันนี้ก็เป็นอุบายเพื่อละโทสะเพราะฉะนั้นถ้าทั้งสมถาวิปัสนาถ้าเจริญควบคู่กันอย่างดีนะทั้งแตทางข้าประหารวิคัมพานาประหาร น, นะแตะทางข้าประหารเรียกว่าวิปัสนาวิคัมพะนาประหารเรียกว่าสมถะก็เจริญควบคู่กันไปอย่างนี้นนะทั้งสมถะทั้งวิปัสนานี่ยแหะ แต่ทีนี้ถ้าเจริญเมตตามากๆนี่นะโดยโดยอารมณ์แล้วเมตตามีสัตว์เป็นอารมณ์นะเรียกว่าปิยมนาปสัตว์เนี่ยนะสัตว์เป็นที่รักเป็นที่พอใจนี่นะเป็นอารมณ์ก็พิจารณาสัตว์ที่เป็นอารมณ์ของเมตตาเนี่ยนะเราสำคัญส่วนไหนว่าเป็นสัตว์ล่ะสำคัญรูปาจักขายตนะใช่ไหมว่าเป็นสัตว์สำคัญรูปายตนะใช่ไหมว่าเป็นสัตว์เนี่ยนะ สำคัญโสตายตนะใช่ไหมว่าเป็นสัตสัตทายตนะคันทายตนะราสายตนะเชียวหายตนะกายายตนะโพธายตนะมนายตนะหรือธรรมายตนะว่าเป็นเป็นสัตว์เนี่ยนะจะขายยตนะเกิดจากปัจจัยอะไรจะขายยตนะเกิดจากปัจจัยอะไรจะขายยตนะมีปัจจัยมากมายครับอ๋อฮึย์ยกตัวอย่างสักสามสี่ตัวอย่างมา ตั้งแต่กรร ม, มปัจจัยนั่นนะแล้วก็ก็มี อ, อาหารละปัจจัยอุตุละปัจจุตุเป็นปัจจัยจิตเป็นปัจจัยเป็นสมุทฐานตัวตัวจักขายตนะนี่ได้แก่อะไรจักขุป萨ธาจักขุป萨ธาเนี่ยนะลักษณะของเขาก็คือเป็นความใสของมหาภูตรูปมหาภูตรูปเนี่นะมีเพื่ออะไรมีไว้ทําอะไร เพื File, it ่อรับรูปารมนะเพื่อรับรูปารมอะไรเป็นเหตุใกล้เหตุใกล้ของจักรคูภาษามหาภูตรูปที่เกิดจากกรรมเป็นเหตุใกล้จักรคูภาษาธาตนะโดยตัวเขาไม่มีจริงๆหรอกแต่เขาเป็นความใสของมหาภูตรูปเขาเป็นรูปที่อาศัยมหาภูตรูปที่ใสใสเท่านั้นเองเหมือนกับกระจกน่ะนะเหมือนกับกระจกใสอ่ะกระจกใสใสเนี่ยมันเกิดจากอะไรก็เกิดจากพวกดินทั้งหลายแหล่นั่นแต่ว่าเป็นธาตุที่มาทําให้ใสเนี่ย อันนั้นแหละตัวสําคัญเพราะว่าจาักรคูภาษาธานี่นะเขาเป็นอุปาทายรูปเป็นรูปที่อาศัยมหาพูดโดยสหาชาตปัจป จ, ปจัยนิสยาปัจจัยอัธียวิคตาปัจจัยเนี่ยนะเป็นปัจจัยให้เขาเกิดขึ้นทีนี้มหาพูดอันนั้นเนี่ยเกิดจากปัจจัยอะไรมหาพูดเหล่านั้นเกิดจากกรรมะปัจจัยมีอาหารที่เกิดร่วมกันเป็นรูปอาหารปัจจัยมีชีวิตตินทรีย์เป็นรูปชีวิตตินเดียรยปัจจัย กรรมมชรูปเหล่านี้ก็ต้องอาศัยรูปสมุธฐานอื่นๆมาอุปถัมภ์ด้วยเช่นจิตตชรูปใช่ไหมเหลียวซ้ายเหลียวขวาเนี่ยนะตาเนี่ยเป็นตัวเห็นจริงแต่ว่าจิตตชรูปเนี่ยนะทำให้กลิ้งสายตาไปไปมาเนี่ยนะจิตตชรูปทําให้ลืมตาก่อนจึงทําให้เห็นได้ทีนี้จกักรครูอันนั้นเนี่ยนะเป็นวัตถุเป็นนิสสัจเป็นที่อาศัยของจักรคูวิญญาณ ด้วยอำนาจของนิสยปาปัจจัยทีนี้ไอ้รูปารมณ์ข้างนอกเป็นอารามณะปจัจจัยของจักขูวิญญาณแสงสว่างเป็นประ ต, ตูปนิสยปาปัจจัยมณสิการเป็นอนันตระปัจจัยแก่จักขูวิญญาณจากักขูกับรูปเกิดจักขูวิญญาณสามอย่างนี้เป็นปัจจัยแห่งภาษาภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเ น, านี่ยนะทีนี้เอ่อเมื่อเวทนาเกิดโดยมากเป็นอะไร เป็ น, นอะไรปรัจเนี่ยนะถ้าจะขู่เมื่อเมื่อจะขู่เกิดเนี่ยนะจะขู่รูปเกิดจกขูวิญญาณความประชุมของธรรมะสามอย่างเป็นภาษาเพราะภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาถ้าตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพบพบเป็นปัจจัยจึงมีมีตาอานะ้อาวกรรมที่ทํามาจากทางตาก็ทําให้มีตาใหม่ ชาติอะไรเกิดอะตานั่นแหละเกิดตามเกิดอย่างเดียวไม่ได้หรอกต้องอย่างอื่นเกิดด้วยใช่ไหมทีนี้ถ้าทางหูก็เหมือนกันนะทาวารอื่นก็ลักษณะเดียวกันเนี่ยถ้าพอใจในเสียงเพื่อให้มีหูใหม่ถ้าพอใจในจะเกลรนเพื่อให้มีจ ม, กมูกใหม่ถ้าพอใจในรถเพื่อให้มีเลนใหม่มาอาหารอร่อยไหมวันนี้อร่อยดีอร่อยเงินเอาแสดงว่าต้องกินอีกนานนะ่ะดูแลนะ จิตชนิดไหนไอ้พอทานได้เนี่ยพูดหมายมันฟังแล้วมันฟังยากเอาพูดให้มันชัดๆหน่อย อ, อุเบกขาเนี่ยมันเกิดตั้งจิตตั้งห้าหดวงเอาดวงไหนดินีเบกขากับโลภะก็4อุเบกขากับโมหะก็สองอุเบกขากับสุ ข, ขุโสตะคานะชิวหาอุเบกขาที่เกิดกับสัมปติชันหน้าสันติรณะโวทัพนะ นี น, นะอุเบกขาที่เกิดกับมาหมากุศลมาหาวิบากมาหมากิริยาเนี่ยนะอุเบกขาที่เกิดกับฌานทั้งหลายทั้งที่เป็นอรูปฌานแล้วก็โลกุตระที่ระดับจตุทชาเนี่ยอุเบกขาไหนนะี่อุเบกข า, าเกิดร่วมกับอุทจจะไม่ต้องเจริญอันนี้ฟงให้ละนะเพราะไอ้เฉยเนี่ยนะเฉยที่เขายกย่องนี่หมายถึงฉลังคู่เปกขาองค์ธรรมได้แก่ตัตธระมัชตตาซึ่งเป็นจิตของพระอรหันต์ นนะเน้นไปที่จิตของพระอรหรันต์ที่ว่าเฉยเนี่ยนะเฉยโดยมากเรียกว่าฉลังผู้เปกขาเป็นอุเบกขาของพระอรหันต์ถ้าของเราทั้งหลายก็มาแยกว่าอารมณ์นั้นเป็นนิมิตอะไรสุภานิมิตปฏิฆานิมิตหรืออุเบกขานิมิตถ้าอุเบกนานิมิตไม่สนใจเนี่ยลักษณะของโมหะ ส, ะส่วนใหญ่เนี่ยนะอวิชชาปัจญาสังขาราเพราะวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารสังขารเป็นปัจจัยจึงมี <Yeah. S 1> เกิดใหม่อย่างนั้นแหละ พอ เ, เกิดใหม่อะไรอีกนามรูปสลายยตนาภาษาเวทนาก็ได้ช่องอีกแล้วทีนี้ถ้าวิเคราะห์อย่างที่ว่าไปเนี่ยน ะ, ะเออจกักขู่กับรูปเกิดจกักขูวิญญาณธรรมะสามอย่างเป็นภาษาเพราะภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตันหาตันหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพบพบเป็นปัจจัยให้มีจักขู่อันใหม่ในอดีตนะที่เคยมีตาก็มีมาอย่างนี้เหมือนกันนะเนี่ยนะตาในอดีต ถอยหลังทุกๆชาติไปก็เกิดแบบนี้แหละเนื่องจากในอดีตเคยชอบรูปนั่นแหละจึงมีตาเนีย่ยนะแม้กระทั่งอดีตที่ผ่านมาในชาตินี้หรืออดีตต่ชาติที่ผ่านไปผ่านไปอนาคตชาติที่จะมีต่อไปถ้ายังชอบรูปอีกตานี้ไม่มีที่สิ้นสุดเว้นแต่กรรมบางอย่างมาเบียดเบียนให้ตาบอดอ่ากรรมที่ทําให้ตาบอดก็เรียกว่ากรรมอะไรอุปปีและกกรรมเหรนะีหรืออุปคาตกรรมเนี่ยนะมาทําให้ตาบอดตาเสียไปเลยหรือว่า ขาดอุปธรรมพรกรรมทําให้ตาเนี่ยพิการเป็นต้นตาเขตาอะไรก็เนื่องจากกรรมบางอย่างมามาเป็นปัจจัยเพราะว่าพบเป็นปัจจัยให้มีตาอันนั้นเนี่ยนะหมายถึงชนะกรรมทีนี้กรรมไม่ได้มีชนะกรรมอย่างเดียวใช่ไหมมีอุปธรรมภรกรรมด้วยมีอุปปีรักกรรมด้วยมีอุปคาตกรรมด้วยเนี่ยนะก็ในส่วนของกรรมทั้งหลายเหล่านั้นๆอีกนี่กรรมบางอย่างก็ทําให้มีตาแบบตาของพระเทวทัตนะนี ตาพระเทวทัตหมายถึงตาที่เกิดในนรกตาบางอย่างก็เกิดในเปรตตาบางอย่างก็เกิดในอสุรกายตาบางอย่างก็เกิดแบบตาของเดรชาณเนี่ยนะตาใสแป๊วเหมือนตาแมวเนี่ยนะหรือว่าตาแบบมนุษย์หรือว่าตาแบบเทวดาหรือว่าตาแบบพรหมพรหมก็มีตาเฉพาะรูปแบะพรหมเนี่มีตาจะเอาตาแบบไหนก็แล้วแต่สุดแท้แต่ว่าพบเป็นปัจจัยแก่ตาเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นกรรมที่ทำให้มีตาได้แก่อะไรบ้างอะโทสะเขเจตนาที่เกิดร่วมกับอากุศลจิตทั้งหมดเนี่ยนะเป็นปัจจัยให้มีตาได้หมดเลยมหากุศลก็เป็นปัจจัยให้มีตามหากุศลทั้งแปดเนี่ยนะเป็นปัจจัยให้ตาเกิดอันคุณภาพของตาจึงไม่เท่ากันแล้วรูปาวจรกุศลฌามเนี่ยนะก็เป็นปัจจัยให้มีตาอีกเนี่ยนะนทนี้ถ้าทวารอื่นๆก็ลักษณะเดียวกัน อดีตก็ตาเนี่ยเกิดจากปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้อนาคตก็เกิดจากจะเกิดด้วยปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้ที่เป็นปัจจุบันตาก็เกิดจากปัจจัยแบบนี้เหมือนกันตาของเราก็เกิดจากปัจจัยแบบนี้ของคนอื่นเนี่ยนะเขาไม่เกิดจากปัจจัยบ้างเลยนะตาของคนอื่นเขาก็เกิดจากปัจจัยแบบนี้เหมือนกันพิจารณานะตาพร้อมทั้งปัจจัยที่กล่าวแล้วทั้งที่เป็นอดีตทั้งที่เป็นอนาคตและเป็นปัจจุบันของตัวเองเนี่ยนะ ของคนอื่นก็เหมือนกันทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันเขาก็เป็นอย่างนี้แหละภายในภายนอกเหมือนกันแล้วในสิ่งเหล่านี้ก็มาแบ่งตาที่หยาบตาที่ละเอียดอีกอนะน่ตาที่เลวตาที่ปณิตตา ท, ที่ไกลและตาที่ที่ใกล้แล้วก็พิจารณาถึงว่าตาทั้งหลายเหล่านั้นนะตาในอดีตก็สิ้นไปแล้วในอดีตไม่ได้ถึงปัจจุบันเลยตาในอนาคตก็จะอยู่ในชาตินั้ น, น, นตาชาตินี้ก็อยู่ใน ชาตินี้เท่านั้นแหละพะพิจนาให้ละเอียดจนถึงว่าตาขณะก่อนที่หมดไปก็มีอายุแค่17ขณะจิตเขาก็จะหมดไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆของเขาไปเนี่ยนะไม่เที่ยงเพราะสิ้นไปเป็นทุกข์เพราะน่ากลัวเป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระเนี่ยนะจกักรโนี่เหมือนอะไรอุปมาเหมือนอะไรพรองตราสว่าเหมือนอะไรนะียจกักรโคเหมือนกับบ้านร้างาใช่ไหม บ้านว่างบ้านร้างบ้านว่าบ้าบ้านเปล่านะบ้านที่ไม่มีใครอยู่เลยแต่บ้านมีจริงแต่ไม่ไม่มีใครอยู่ในนั้นไม่ไม่มีศัตว์อยู่แล้วจักรคูนี่มีจริงทีนี้จักรคูนี่มีอะไรเป็นเหตุใกล้มหาภูตา ร, รูปเนี่ย <c oughs> พระ อ, องค์ตรัสว่าเป็นเหมือนกับอสรพิษใช่ไหมมหาภูตา ร, รูปเนี่ยนะเหมือนกับอสรพิษสีทีนี้จักรคูวิญ ญ, ญาณที่อาศัยจักรคูเกิดเนี่ยนะจักรคูวิญญาณเหมือนอะไร จะครูวิญญาณเหมือนกับมายาคมมน เ, เนี่ยนะเมื่อเห็นแล้วทําให้เกิดเวทนาเวทนาเหมือนกับต่อมน้ําสัญญาเหมือนกับพยับแดดเจตนาเป็นต้นเหมือนกับต้นกล้วยเนี่ยนะถ้าตาของมนุษย์กับเทวดาเรียกว่าตาในกามพบตาของพรหมเรียกว่าตาในรูปภพตาในพบไหนก็ไม่เที่ยงทั้งนั้นแหละถูกไฟไหม้เหมือนกันถูกไฟคือราคะไหม้เหมือนกันไฟคือโทสะไฟคือ โมหะเนี่ยเผาเหมือนกันไฟคือชาติชราพยาธิมรณะโสกาปริเทวะทุกโธมนัตและอุปายาตเผาเหมือนกันหมดเลย <c oughs> ตาเหล่านี้เป็นธรรมชาติที่ไม่เที่ยงเพราะสิ้นไปเนี่ยนะ <c oughs> เป็นสังคตะธรรมเป็นธรรมที่อาศัยปัจจัยปรุงแต่งขึ้น <c oughs> เป็นสิ่งที่อาศัยการเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาคลายไปดับไปเป็นธรรมดาของเขาอ่ะเขาเป็นอย่างงั้นแหละแล้วตาทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะก็ ไม่ใช่ใครอยู่ในนั้นเลยมันตานี้ว่างจากอัตตาไม่มีอัตตาอยู่ในนั้นเลยและไม่มีไม่ใช่บริขารของอัตตาใดๆเลยเ น, นี่ย น, นะว่างจากความเที่ยงว่างจากความสุขว่างจากความยั่งยืนเหมือนกับฟองน้ำเท่านั้นเองเหมือนกับพวกไม้ทั้งหลายตระกูลไม้ที่ไม่มีแก่นทั้งหลายนะจากขูก็เหมือนกันในลันกษณะไม้ทั้งหลายเหล่านั้นนั่นแหละตาเหล่านี้ก็เรียกว่าเป็นขันไหมตาทั้งหลายเป็นต้นเป็นรูปประขันไหม เป็นเป็นรู ป, ประคันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะนาขันทั้งหลายเหล่านี้ให้ถี่ถ้วนจนกว่าจะยังถึงอะไรยังถึงว่าจากักคุจัคคุสมุทัยจัคคุนิโรตจัคคุนิโรทคามินีปฏิปทานั่นแหละรู้ทั้งเหตุเกิดความดับของจัคคุอย่างที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะทีนี้อาศาัยจัคคุกับรูปเกิดจัคคุวิญญาณความประชุมของธรรมะสามอย่างเป็นภาษะเพราะภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมี ตันหาถ้าทำปริญญาอย่างนี้ก็สัมรอกตันหาโดยไม่มีส่วนเหลือเนี่ยนะถ้าสัมรอกตันหาโดยไม่มีส่วนเหลืออุปาทานก็ดับถ้าอุปาทานดับภพบก็ดับถ้าภพดับชาติเอ่อตาก็ดับถ้าตันหาดับอุปาทานดับถ้าอุปาทานดับภพบดับกลายเป็นกิริยาเนี่ยนะมีกรรมสักอันหนึ่งไหมที่จะทําให้มีตาอันต่อไป พระพุทธเจ้าทิ้งตาอันนี้ก็ไม่ถือเอาตาอันใหม่ทิ้งหูอันนี้ก็ไม่ถือเอาหูอันใหม่ทิ้งจมูกลิ้นกายใจอันนี้ก็ไม่ได้ถือเอาอันใหม่ในพบใดๆเลยเนี่ยนะก็เลยทําที่สุดแห่งแห่งทุกได้แต่ของเราพูดอย่างนี้บ้างได้ไหมทิ้งตาอันนี้แล้วเอาตาอันใหม่นะจะเอียงหรือเขยก็ดูนะว่าชาตินี้นิยมโกรธหรือเปล่ามองใครด้วยสายตาเอียงๆเอาไว้เยอะๆชาติหน้าตาเขเนี่ยนะ ต้องเรียกทบุญตัดแว่นเอาไว้เยอะๆหน่อยเนี่ยนะจะได้ชาดหน้าถึงเอียงเขเแบ่งก็มีแว่นสายเหมือนกันเี่ยเบอร์บางแห่งเนี่ยนะเอียงเขเสั้นนี่ไม่มีแว่นตาสายเลยนะเรียกว่าทําบุญมาไม่ค่อยดีนะมันก็ทําเหตุไว้เยอะๆหน่อยนะถ้าไปมองใครไว้ด้วยโทรศัพเนี่ยนะเป็นเหตุให้ตาไม่สวยตาไม่งามเหมือนกันแล้วก็อย่างน้อยก็แต่งกรรมมาไว้ให้ดีหน่อยก็ยังดีเพื่อได้ตาจะได้มีคุณภาพกว่านี้อีกหน่อยนึงเหมนะ เนนเลยตาไปแล้วอ่ะมันเข้าชาวนะในมโนทวารมันเกิดโทสะขึ้นตอนนี้การวิจัยช่วงนั้นเนี่ยนะจิตซึ่งเป็นโทสะเป็นเป็นโทสะมูลจิตนะครับหนึ่งในสองดวงนั่นครับขณะนั้นเนี่ยผ ม, ผมลงว่าไปทัพพังก่อนนะครับคือโทสะในขณะนั้นเนี่ยนะครับก็เกิดจากหนึ่งอารมณ์ต้องมีแน่นอนนะจิตอันนี้ต้องมีอารมณ์อารมณ์นั้นเนี่ย ถ้าหากว่าเป็นรูปปฏิฆะนิมิตซึ่งเพิ่งดับไปหรือว่ามันจบไปนานแล้วนี่ก็มันเป็นอตีตารมเป็นเป็นอารมณ์ปฏิฆะนั้นเป็นอารมณ์ของจิตดวงนั้นแล้วก็อารมณ์นั้นไปก็ไปกระทบกับทวารคือผวังขจิตถูกไหมครับจึงได้เกิดจักขวิญญาจึงได้เกิดมโนมโนวิญญาณขึ้นซึ่งเป็นโทสะ สอย่างนี้เป็นผัสสะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับถ้าเป็นฉกาฉกาศูลในจานั้นโทสะก็คือหนึ่งเมื่อปัญจทวารวิถีเกิดขึ้นนะเอางี้นะ<ม>เห็นญาติตายเลยดีกว่าชัดเโทสะนะโดยเฉพาะนะที่โทสะแรงๆก็เช่นพ่อตายแม่ตา ย, ตายพี่ชายตายน้องสาวตายเนี่ยนะ ค, ความเสื่อมจากโภคะเป็นต้นเนี่ยอันนี้เป็นเหตุแห่งโทสะ ท, <ม> ท, ที่มีกําลังมากเนี่ยน ะ, ะโทสะอันนั้นหนึ่งนะเนื่องจากการเห็นใช่ไหม ภาษาของจักภูทวานนี้ก็สำคัญทีนี้เมื่อเห็นแล้วชาวนะในปัญจทาาวานวิถีก็โทสะครับแล้วก็ชาวนะในปัญจทาาวานวิถีอ น, นั้นเป็นอุปนิสัยแก่โทสะในมโนท ว, วานวิถีต่อไปเนี่ยนะทีนี้ไอ้โทสะในมโนทวานวิถีเนี่ยเกิดจากเนื่องจากมีพวังแล้วก็มีอารมณ์ของโทสะเนี่ยนะมนโนวิญญาณคือโทสะมูลจิตอันนี้จึงเกิดขึ้นเนี่ยนะ ทีนี้เมื่อโทสะอันนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะสามอย่างนะั้นเกิดขึ้นเรียกว่าผัสส ะ, ผ, สสะผัสสะก็เป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนานั้นเป็นโทเป็นโทมนัสเวทนาเวทนาอันนั้นเป็นปัจจัยแก่เป็นปัจจัยแก่ตันหะตันหะไงเช่นนั่นนะก็คร่ําครวญถึงคนที่จากไปนั่นแหละเขาน่าจะยังอยู่นะน่าจะยังงั้นหน้าจะย่างงี้เนี่ยนะ ความหวังในรูปแบบโดยประการต่างๆก็จะเข้ามาแล้วเนี่ยนะน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้จินตนาการไปเรื่อยๆนะด้วยอำนาจของตันหาเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าคนที่กําลังโทสะอยู่แล้วจะไม่มีความป่าเถนาสลับในระหว่างนั้นนะใช่ไหมก็ยิ่งเครียดมากยิ่งต้องการมากโลภะกับโทสะเนี่ยมันสลับกันเนี่ย น, นะเช่นเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะจะคิดถึงอีกอย่างหนึ่งเว็บนั่นแนหะ ยิ่งมีกําลังมากอันนั้นเป็นลักษณะของโลภะที่ต้องการนิมิต ท, ที่น่าปรารถนาที่ตัวเองต้องการเนี่ยนะอนนันโลภะโทสะเนี่ยนะเกิดขึ้นแล้วเป็นยังไงต่อไปจุดอย่างนี้เนื้เ <จบ S 1> ช่นสมมติว่าชามมันแตกไปแล้วแม้ก็เลยหวังมองเห็นได้ชามที่มันดีๆอยู่ใช่ไหมครับนึากให้มันดีๆอยู่เสียดายเสียนึกถึงที่เคยมีอยู่นึกถึงไอ้ความงามอันนั้นเนี่ยนะอยากให้มันเป็น<ด>อย่างเดิมอ <ๆ S 1> ีกใช่ไหมอยากให้เป็นอย่างเดิมอีก แล้วก็นึกถึงคนที่ทําแตกด้วยนะอีกทีนึงแล้วก็โทสะนึกถึงชามก็โลภะ<ม>นึกถึงคนที่ทําให้แตกก็โทสะเนี่ยนะเจตนาดวงที่หนึ่งให้ผลชาตินี้นะดวงที่เจ็ดให้ผลชาติหน้าสองถึงหกผลชาติที่สามเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นถ้าเจตนาตัวนั้นนําเกิดตานี i ไม่งามแนะ่อาจจะเป็นตาประเภทดุร้ายนะถ้ามาถึงตรงนี้เนี่ยจะทําปริญญาอะไรได้บ้างครับในชวนาอันเนี้ยหนึ่ง ทำปริญญาในอารมณ์ถูกไหมครับสองทำปริญญาในในวัตถุอมประทุทําปริญญาในทวารหรือทําปริญญาในวัตถุที่โทสะเกิดเกิดที่หาทิยวัตถุตรงนี้รู้สึกจะซับซ้อนันิดนึงรหรือ <c oughs> ว่าที่ท <ำ S 2> จริงถ้าโดยถ้าว่าไปก็มีสามอย่างนะวัตถุวิ ญ, ญญาณอารมณ์นะสามตัวเน้นอะไรก็เอาไปจะจะ ให้ที่จริงมันต้องทําวิจัยทั้งวัตถุทั้งวิญญาณด้วยทั้งอารมณ์ด้วยต้องรู้ทั้งหมดนั่นแหละจึงจะละโทสะได้าถามว่าการทําปริญญาทั้งหมดเหล่านี้เพื่ออะไรจุดประสงค์จริงๆเพื่อละเพื่อละโทสะนะเพื่อละโทสะเป็นต้นนั่นเองทีนี้ถ้าจะละโทสะได้เนี่ยต้องรู้จักทั้งวัตถุวิญญาณและอารมณ์เป็นอย่างดีเนี่ยนะจนกว่าไม่มีวัตถุใดวัตถุหนึ่งเป็นที่ตั้งแห่งโทสะเลย ไม่มีอารมณ์ใดาอารมณ์หนึ่งเป็นที่ตั้งแห่งโทสะเลยไม่มีจิตดวงใดดวงหนึ่งเป็นปัจจัยให้โทสะเลยเนี่ยนะต้องทําปริญญาทั้งหมดเนี่ยนะถ้าอย่างนั้นสมมุติว่าลูกลูกชายและลูกสาวทําให้แม่โกรธแม่ก็ต้องทําปริญญาในอารมณ์นั้นซึ่งเป็นซึ่งเป็นรูปชนิดหนึ่งของเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไฟไหม้บ้านแล้วค่อยคิดหาน้ํากัน เนี่ยนะอย่างที่ผู้การพูดทั้งหมดเนี่ยนะหมายว่าไฟไหม้บ้านและคิดฐานน้าทั้งนั้นเลยนะถามว่าทาไมก็ปล่อยให้โทสะก่อนแล้วก็จะคิดจะวิจัยทีหลังงหม น, นเพราะฉะนั้นตามหลักของการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยนะทำก่อนที่อาพิชาและโทมนัตจะเกิดด้วยซ้ําไปฉ mm hmm. ั้นเวลาพราะองค์แสดงสติปัฏฐานพระองค์จึงตรัสว่าทางนี้เป็นทางสายเอกเพื่อความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงโศกกาปริเทวะเนี่ยนะเพื่ออัสดงดับไปแห่งทุกข์และโทมนัตเพื่อ บรรลุอริยมรรคเพื่อทําพระนิพพานให้แจ้งพระองค์พูดให้เจริญตั้งแต่ก่อ น, น, น, น, นที่สิ่งนั้นจะเกิดแล้วคนที่เกิดแล้วคิดจะเจริญเนี่ยยากไม่ง่ายเลยเพราะฉะนั้นเออพระองค์จึงตรัสว่าไอ้ความเพียร น, นี่แหละควรรีบทําตั้งแต่ตอนสติยังดีๆอยู่ว่างั้นะตอนที่ยังมีสัมปชัญญะดียังรู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปตอนที่ยังทรงจําคําสอนเป็นต้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตอนที่โกรธเต็มทีแล้วเนี่ยมันนึกอะไรไม่ค่อยออกหรอกว่างั้น อย่างอย่างธรรมะถ้าอย่างเช่นเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนะควรพิจารณาตั้งแต่ยังไม่ป่วยเพราะป่วยแล้วยังได้อุปนิสัยที่เคยพิจารณาไปพิจารณาตอนนั้นบ้างถ้ารอป่วยก่อนแล้วค่อยพิจารณานะไม่ไหวแล้วล่ะเนี่ยนะเป็นความจริงเพราะว่าขณะนั้นจิตเป็นเป็นปฏิฆานี่นเนี่ะพอจะจิตก็ไม่คุยกับการงานอยู่แล้วก็จะไปวิเคราะห์วิจารอะไรก่อนรู้สึกว่ายากอยู่ แต่ก็ทํำยังไงได้หรืครับมันเกิดอยู่เรื่อยหลือครับมันได้ทํำไปก่อนนะครับเดี๋ยวนี้มันก็เกิดอยู่ไม่อยู่เรื่อยครับท่านก็หาปัจจัยอย่างไรที่กุศลจิตเหล่านี้จึงจะเกิดและทําปริญญาเหล่านี้บ่อยบ่อการทําปริญญาเหล่านี้ก็เป็นเป็นเรื่องของการเจริญสติปัฏฐานนั่นแหละนั้นคําว่าสติปัฏฐานนั้นไม่ใช่ไม่รู้อะไรเลยในขณะเดียวกันนะอย่างอย่างเมื่อกี้เนี่ยพูดถึงพยาปาทะนิวณ น, นะตามสติปัฏฐานจะพูดห้าคำก่อนใช่ไหมเมื่อกี้ ห้าคำคืออะไรบ้างหนึ่งเมื่อพยาปาท่านิวรมีอยู่หน้าภายในจิตก็รู้ชัดเนี่ยนะไอคําว่ารู้ชัดเนี่ยรู้ด้วยอำนาจของปัญญานะถ้าปัญญาเขาเกิดเขารู้แค่ไหนจึงจะชื่อว่ารู้ชัดเหมนกันเมื่อพยาปาท่านิวรไม่มีอยู่หน้าภายในจิตก็รู้ชัดว่าพยาปาท่านิวรไม่มีอยู่หน้าภายในจิตพยาปาท่านิวรที่ยังไม่เกิดจะเกิดด้วยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วยพยาปาท่านิวร ที่เกิดขึ้นแล้วจะละด้วยประการใดรู้ชัดประการนั้นด้วยพยาปาท่านิวรที่ละได้แล้วจะไม่เกิดต่อไปด้วยประการใดรู้ชัดประการนั้นด้วยพิจารณาเห็นพยาปาท่าอันนี้เป็นภายในบ้างเนี่ยนะพิจารณาเห็นพยาปาท่าอันนี้เป็นภายนอกบ้างพิจารณาเห็นพยาปาท่าอันนี้ทั้งภายในและภายนอกของตนตามการของผู้อื่นตามการเนี่ยนะพิจารณาเห็นพยาปาท่าอย่างเี้ยโดยความเกิดบ้างพิจารณาเห็นพยาปาท่าอันนี้โดย ความเสื่อมบ้างเนี่ยนะสติที่พิจารณาอยู่เนี่ยนะสติสัมปชัญญะที่พิจารณาอยู่ก็เพื่อความเจริญงอกงามของสติสัมปชัญญะนี้ในชั้นต้นคนทั่วๆไปก็จะเจริญไม่ให้โทสะเกิดแต่การเจริญที่สมบูรณ์จริงๆนั้นเนี่ยนะที่เจริญจริงๆอ่ะเขาไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นหรอกเขาต้องการให้สติกับสัมปชัญญะเจริญเนี่ยนะเจริญเพื่อให้สติสัมปชัญญะเนี่ยเกิดมากๆขึ้น เพียงเพื่อให้ญาณเกิดเพียงเพื่อให้สติเกิดพอพอเจริญชั้นสูงมาแล้วน ะ, ะสติที่เกิดอันนั้นแหละเรียกว่าสติสัมโพชฌงค์ทีนี้สติอันนี้ถ้ายังไม่เกิดจะเกิดด้วยประการใดต้องรู้ชัดอีกครั้งหนึ่งนะสติที่เกิดขึ้นแล้วจะบริบูรณ์ด้วยประการใดเป็นต้นก็ต้องรู้ชัดสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์แล้วตั้งเป้าหมายเลยว่าเจริญสติอันนี้เนี่ยนะอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสลา เจริญปัญญาอ น, นั้นแหละอาศัยวิเวกอาศัยวิราค่าอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสลักต้องเจริญตัวสติสัมปชัญญะซึ่งเป็นมรรคสัตวนะ์ให้บริบูรณ์เนี่ยนะให้บริบูรณ์มรรคสัตว์ที่เกิดบริบูรณ์อย่างนั้นแหละเรียกว่าอริยมรรคเนี่ยนะก็จะทำกิจประหารอุปาทานกิเลสทั้งหลายได้โดยสิ้นเชิงแล้วก็หน่วงพระนิพพานเป็นอารมณ์ทําปริญญาในทุกอารมณ์อย่าง อย่างบริบูรณ์เนี่ยน ะ, ะจุดมุ่งหมายสําคัญที่สุดเนี่ยน ะ, ะเราอยากคิดว่าต้องพิจารณาเท่านั้นหรือเท่านี้หรือไม่ควรตั้งไว้อย่างนั้นควรตั้งว่าทําอย่างไรจะพิจารณาคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้บริบูรณ์หรือการพิจารณาแต่ละครั้งให้ตั้งเพื่อเป็นอุปนิสัยในการพิจารณาครั้งต่อๆไปอย่าไปคิดว่าออแค่นี้ก็พอแล้วแค่นั้นก็พอแล้วอันนี้ลักษณะของการสันโดษในกุศลพ่อของตาําหนิไม่ได้ยกย่องอะไรเลย ควรที่ว่าเออวันนี้ทําได้นิดได้หน่อยได้มากได้น้อยก็เรื่องของเราไปนี่เป็นความสามารถเฉพาะตัวว่างั้นเถอะแต่ไอความบริบูรณ์ที่เราตั้งไว้แค่ไหนควรรู้ชัดที่ตั้งป่าถนาตั้งว่างไงนิพานะปัจโยโหตุว่างั้นใช่ไหมก็แสดงว่าป่าถนาระดับอรหัตผลเอาไว้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นอย่าไปสันโดษเนี่ยนะสมมติว่าตั้งทีแรกตั้งเป้าหมายไว้สูงสุดยอดนะนี่ย เสร็จแล้วก็วันนี้แค่นิดหน่อยก็พอแล้วอย่าไปคิดแบบนี้คิดว่าทํายังไงอันนั้นจึงจะบริบูรณ์ขึ้นตั้งเป้าหมายเพื่อความบริบูรณ์อย่างนี้เขาเรียกว่าธรรมานุธรรมะปฏิปติเป็นการปฏิบัติธรรมเพื่อสมควรแก่แก่โลกุตระธรรมเรื่อยๆไปถึงวันนี้ยังไม่เต็มไม่เปี่ยมไม่บริบูรณ์ก็เอาสิ่งเหล่านี้เป็นอุปนิสัยของความเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ในวันต่อๆไปเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นเขาจึงพิจนารณาว่าทำอย่างไรกุศลจิตที่ยังไม่บริบูรณ์จกบริบูรณ์ขึ้นโดยโดยลำดับไปน่นะผมนึกออกแล้วครับพวกผมนะ่ชินอยู่กับว่าถ้าจะพิจารณาหรือจะทำปริญญาในอารมณ์ใดนั้นนะต้องผเชิญหน้ากันเนี่ยผมชินอย่างนั้นนะแต่จริงๆแล้วในพระสูตรหรือว่าในคัมภีร์นั้นเนี่ยท่านได้ทำปริญญา ได้ในขณะที่ไม่ต้องเผชิญกับอารมณ์หรือถ้าสมมุติว่าถ้าจะทำปัญญาในเรื่องโทสะก็ไม่จําเป็นที่จะต้องให้ให้โทสะเกิดจริงๆแต่อาศัยที่ว่าโทสะเคยเกิดมาแล้วเป็นอัติตารมณ์นั้นก็ทํามาทํำปิญญาได้อย่างนั้นถูกไหมครับเฉยพรคื อ, อ, อถ้ารอให้เกิดเนี่ยน่าจะเสียหายเยอะเลยนะหมายความว่าต้องรอให้บาปเกิดก่อนแล้วค่อยพิจารณาบาปอันนั้นเนี่ยนะอันนี้ไม่ไม่ใช่คําสอนเลย เพราะอะไรเพราะขนาที่โทสะเกิดขึ้นคนโกรธย่อมไม่รู้อัดคนโกรธย่อมไม่เห็นธรรมเนี่ยนะโลภะถ้าเกิดขึ้นคนโลภ ก, ก็ไม่รู้อัดคนโลภ ก, ก็ย่อมไม่เห็นธรรมถ้าโมหะเกิดขึ้นคนหลงก็ไม่รู้อัดรู้ธรรมอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้ารอให้อกุศลจิตเกิดก่อนนั้นจึงชื่อว่าไม่ได้ปฏิบัติตามคําสอนด้วยซ้ําไปพระองค์ยังตรัสเลยว่าถ้าโจรเขามามัดเราแล้วให้นอนอยู่ในป่าเนี่ยนะเอาเลื่อยมาเลื่อยสองข้างเนี่ย ถ้าผู้ใดยังจิตให้โกรธต่อโจรเนี่ยนะผู้นั้นชื่อว่าไม่ปฏิบัติตามโอวาทอนุสาสนีของพระ อ, องค์ว่างั้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องรอให้โทสะเกิดซะก่อนแล้วพิจารณาโทสะบางคนเนี่ยนะเขาเห็นแต่คนอื่นโทสะเขาก็รู้รสชาติแล้วนะถ้าถ้าเขาคนอื่นแขนกุดเนี่ยนะเราต้องรอให้เราแขนกุดก่อนจะค่อยรู้ซึ้งถึงผัสสะเวทนานั้นหรือเปล่าไม่ต้องถ้าเห็นคนอื่นตกนะรกเป็นต้นเนี่ยนะเราต้องไปตกก่อนแนละ้วค่อยไปพิจารณาถ้าอย่างงี้อโอ้ Yeah, แยน่เนะเพราะฉะนั้นาการพิจารณาแล้วพระองค์ไม่ได้ให้พิจารณาพบเดียวไม่ได้พิจารณาอยู่แค่นี้พิจารณาทั้งออบายภูมิก็ต้องเอามาพิจารณาทั้งหมดเพราะฉะนั้นวิญญาณทิติเจ็นี่นะพร้อมทั้งเหตุเกิดความดับอัสาธาอาทีนวานิสรณะของวิญญาณทิติต้องเอามาพิจารณาหมดอันนั้นคือจุดมุ่งหมายของเราแต่ถ้าทํายังไม่ได้ก็ว่าเออคําสอนตรัสไว้ดีแล้ว ที่เราทําไม่ได้เพราะบุญไม่พอสติสัมปชัญญะเป็นต้นไม่ไม่บริบูรณ์เนี่ยนะก็แสดงว่าเราเจริญไม่ได้แต่ถ้าเราเข้าใจผิด ก, ก็ยากเหมือนกันที่จะพิจารณาได้สมมุติเออเนี่ยนะจะพิจารณาโทสะเพราะยกตัวอย่างนะพ่อเสียอย่างเงี้ยต้องรอพ่อตายก่อนแล้ค่อยพิจารณานี่ก็แย่แล้วนะเนี่ยนะนะแล้วบางอย่างเนี่ยนะถ้ามันเสียหายมากๆแล้วอยากคิดว่าจะพิจารณาได้นะเอาตอนที่ยังยังแข็งแรงอยู่ว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้น สูตรทั่วๆไปเนี่ยนะการประพฤติพรหมจรรย์จึงเป็นเรื่องของคนหนุ่มเขาว่างั้นทําไมเพราะยังสติสัมปชัญญะเป็นต้นยังตื่นตัวเนี่ยนะกะปลอกกบเปรี้ยเต็มทีแล้วก็แหม่มันก็ยากอย่างผู้การว่านนะั่นแหละกะปลอกกบเปรี้ยเต็มทีแล้วจะเดินมาถึงลานฟังธรรมยังยากเลยดังนั้นไม่ต้องกล่าวถึงทรงจําเป็นต้นนะนะมันจะยากอีกขนาดไหนเนี่ยนะเรื่องการที่เราพิจารณาต้องพิจารณาสภาพธรรมที่ปรากฏนี่นะครับ ต้องให้รอให้ปรากฏก่อนถึงถึงจะพิจารณานั้นเนี่ยถ้าอย่างนั้นนี่นะครับเราจะขาดการพิจารณาไปหลายเรื่องหลายหลายอย่างทีเดียวนะครับในปรัมัทธธรรมและเช่นสมมุติว่าจากักขูภาสาธะนะครับถ้าอย่างนี้รอให้ปรากฏก็หมดจิตที่จะไปพิจารณาหมดคือมันต้องมันต้องดูว่าบางอย่างนี่มันปรากฏแก่ใครอเอานี้นะอย่างอย่างสมมุตินะถ้าถ้าพูดทั่วทวไปนะอย่าง อย่างนะยกคุณหมองานดีหมอเขาดูคนดูคนเนี่ยนะส่วนหนึ่งก็น่าจะพอดูออกว่าป่วยหรือไม่ป่วยแต่คนอื่นทำไมดูไม่ออกละ่ะทำไมสิ่งนี้ปรากฏแก่หมอและคนอื่นทำไมไม่ปรากฏเพราะหมอมองเห็นปุ๊บเขารู้เลยว่าป่วยเป็นโรคอะไรเนี่ยนะถามอีกนิดหน่อยก็วินิจฉัยให้ยาถูกเลยแต่ทำไมคนอื่นไม่ปรากฏแบบนั้นบ้างแล้วแล้วสิ่งเหล่านี้ก็เหมือนกันเนะ มันปรากฏอยู่ตลอดแหละในปัญญาของบัณฑิตทั้งหลายทุกมันก็ปรากฏอยู่ตลอดเนี่ยนะชาติทุกชราทุกพญาที่ทุกมรณะทุกโสกะปริเทวะทุกโทมนาฏอุปายาทุกเนี่ยนะทุกทั้งหลายก็มันก็ปรากฏอยู่ตลอดนั่นแหละถ้าผู้ที่เป็นบัณฑิตราฆาโทสะโมหะมันก็ปรากฏอยู่ตลอดสติประธานสัมมาประธานอิทิบาทเป็นต้นก็ปรากฏแก่ผู้ที่ฝักใฝ่ในสิ่งเหล่านี้ทุกขนทุกแห่งด้วยถ้าเขาเข้าใจอย่างเพียงพอ เพราะฉะนั้นการฟังพระสัตธรรมที่บริบูรณ์นั่นแหละย่อมยังศรัทธาให้บริบูรณ์เนี่ยนะศรัทธาที่บริบูรณ์ก็ย่อมยังโยนิโสมณสิการให้บริบูรณ์เนี่ยนะต้องมันเอาไปฉลาดคิดบ่อยๆโยนิโสมนสิการที่บริบูรณ์ก็ย่อมยังสติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์อินทรีย์สังวรสติสุจริต3ามสติปฐานพ่อชงและก็วิชาวิมุติเป็นต้นก็จักเจริญบริบูรณ์ไปโดยโดยลําดับเนี่ยนะ และในคำว่าปรากฏนี้ก็ต้องดูว่าปรากฏแก่ใครเพราะว่าพระพุทธเจ้านั่งอยู่ตรงนั้น9กกับพระองค์ก็ระลึกได้ที่ไหนก็ปรากฏหมดมางั้นเถอะถ้ารอให้คนตาบอดเนี่ยนะบอกเออรอให้คนตาบอดมองเห็นก่อนนี่น่าจะยากเหมือนกันเพราะฉะนั้นออกระบวนการในการรักษาจึงนับว่าสาคัญที่สุดนี่นะทีนี้ของเราใช้คาว่าการใส่ใจในพระธรรมคาสอน ผูท้ที่มีพระธรรมเป็นสารณะเนี่ยนะส่วนที่สําคัญที่สุดเรียกว่ามีพระธรรมนําไปในเบื้องหน้าในสิ่งนั้นนั้นพระธรรมตรัสว้อย่างไรพระธรรมแสดงในสิ่งเหล่านั้นนั้นว่าอย่างไรอันนี้แหละที่จะต้องใช้ศรัทธาเป็นต้นเนี่ยนะที่จะต้องภาคเพียรศึกษาให้เข้าใจก่อนเป็นอันดับเรกเนี่ยนะว่าพระธรรมพูดถึงสิ่งเหล่านั้นนั้นอย่างไรเอานี้นะลองดูสักคนหนึ่งอเอาใครดีพระธรรมพูดถึงคุณเฉลิมว่ายังไงบ้างเงี้ยนะ มีมห้ยขาทำพูดถึงคุณโจมีไหมไม่เรียกชื่อเฉยเฉยนะถ้าทำพูดถึงคุณโจมีไหมมีค่ะแต่ว่าตึกไม่ออกอเอาใหม่เอาเอาเอาเอางี้หีึ่งก่อถ้าทำพูดถึงคุณวิลาวันไหมคุณวิลาวันเป็นขันห้าไหมล่ะเป็นไหมนี่เป็นชาติมีชาติอยู่หนมั้ยชราพยาทีไม่ป่วยเลยเหรอ เอาแค่ไหนเนาะจิงกะป่วยของเราเนี่ยน ะ, ะน oh, ขนาดนั้นเลยเนาะโอ้โหแย่แล้ว <c oughs> มันก็ผุผกเป็นอะไร <c oughs> อะไรไปนะอาการที่มันผุ ก, ก่อนแต่ละส่วนแต่ละส่วนนั่นแหละชื่อว่าพยาธิแล้วก็มรณะก็ก็ต้องทักคณิกาก็ตลอดเวลาถ้าสมมุติก็อีกไม่นาน ไม่เกินร้อยปีอย่างนั้นเถอะไม่เกินร้อยปีนะถ้าเกินมากกว่า น, นิดหน่อยไม่เกินร้อยปีกงกํานนกหนดได้เลยนี้ต่อไปโสกปริเทวะทุกโทมานตและอุปาญาตรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันมีไหมมีจักขายตนะรูปายตนะโสตายตนะสัทธายตนะไอ้อยตนะสิบสองก็มีท่าสิบแปดก็มี ทุกศาสตริย์กาสมุทัยศัตตร์ก็มีนิ่วอนก็มีให้โพชงไม่แน่ใจแล้วในนั้นมีตั้งเยอะแยะนะทีนี้ถ้าศึกษามาพอก็พระธรรมก็อยู่ในนั้นหมดมองเห็นก็พิจารณาได้เลยแต่ก็สุดแท้สําคัญที่สุดก็คือว่าศึกษาคําสอนมาบริบูรณ์พอไหมในในสิ่งเหล่านั้นนนั้ถ้าพูดถึงคําว่าขันนะเรียนคําว่าขันมาบริบูรณ์ไหมล่ะถ้าพูดถึงอายตนะเนี่นะเรียนอายตนะมาบริบูรณ์ไหมถ้าพูดถึงธาตุนี่ยนะ เรียนเรื่องธาตุมาอย่างบริบูรณ์ไหมที่จะพิจารณาฟังเรื่องสัจจะเนี่นะศึกษาสัจจะมาบริบูรณ์ไหมเรื่องอินทรีย์เรื่อ ง, C, องโพชฌงเรื่องอายตนสตะสติปทานสัมมาปทานเป็นต้นถ้าเรียนมาเพียงพอแล้วสิ่งเหล่านี้มีอยู่ทุกคนทุกแห่งเรื่องกรรมแล้วก็เรื่องกรรมทั้งหลายเลยเนี่ยนะนั่งนิ่งๆเป็นกรรมไหมพระท่านนั่งนิ่งๆเนี่ยเป็นกรรมไหมเป็นอะไรกรรมนมนโนกรรมแล้วขณะไหนว่างจากกรรมบ้างไง หลับฝันนะยังเป็นกรรมเลยเมื่อกี้ยังคุยกันเลยนะฝันยังเป็นกรรมเลยนะเป็นอะไรกรรมเป็นมนโนกรรมเนี่ยนะให้ผลในประวัติกรรมก็ทํากรรมอยู่ตลอดเนี่ยนะกรรมนี่ภาษาบาลีเรียกว่างไงเจตน า, าสภาวะเขาเจตนาเรียกอีกชื่อนึงว่าสังขารสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปปฏิจจสมุป บ, บาทก็อยู่แถวนี้นะเนี่ยนะ ก็อยู่ที่ว่าศึกษามาพอก็พิจารณาเห็นถ้าไม่พอก็ไม่เห็นในรูปประคันทั้งหลายพระอง์ก็อุปมาทั้งหลายก็อยู่แถวแถวนี้แหละก็ไม่ได้อยู่ไกลเลยสุดแท้แต่ว่าทรงจําคําสอนเหล่านั้นได้แค่ไหนถ้าทรงจําคําสอนได้เท่าไหร่นั่นแหละเรียกว่ามีพระธรรมนําหน้าเท่านั้นแหะเนี่ย น, นะมีพระธรรมเป็นสารณะเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราเราเกี่ยวข้องกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยนะระลึกถึงคําสอนได้เท่าไหร่มีพระธรรมเป็นสารณะเท่านั้นจริงๆ อันนี้เป็นสมบัติเฉพาะตัวเนี่ยนะศรัทธาอันนี้เป็นของเฉพาะตัวจริงๆวิริยะสติสมาธิปัญญาเหล่านี้ก็เป็นของเฉพาะตัวชาติน่าจะฉลาดจะโง่ก็สังเกตจากตอนนี้ก็พอได้แล้วละ่ะเพราะการพิจารณาก็ให้หมันว่าคำสอนเนี่ยทรงตรัสไว้อย่างไรตรงนั้นแหละคือสาระของเราสาระของเราอยู่ตรงนั้นจริงๆเพราะพระผู้มีพระภาคก็ยังตรัสไว้เลยว่าธรรมวินยัยใดที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วธรรมวินัยนั้นจะเป็นาศาสดาของ ของเธอทั้งหลายเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเกี่ยวข้องกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเราลึกถึงคําสอนไม่ได้เลยนี่แหละเรียกว่าคนอาภัพยอย่างแท้จริงว่างั้นเถะนี่นะเราไม่ได้ดีแล้วหนอว่างั้นกับตรงนั้นนะผมขอเรียนถามปัญหานิดหนึงครับคือถ้าพูดถึงในกุณฑลยะสูตรเนี่ยที่บอกหรือว่าในอวิชชาสูตรนะที่บอกว่าอ เมื่อฟังธรรมโดยบริบูรณ์แล้วนะครบสัตว์หลุษบริบูรณ์แล้วก็ฟังธรรมบริบูรณ์เมื่อฟังธรรมบริบูรณ์ก็ย่อมเกิดศรัทธาบริบูรณ์ศรัทธาบริบูรณ์ก็ทําให้มีโยนิโสบริบูรณ์โยนิโสมาแลการบริบูรณ์ก็ทําให้เกิดสติสัพชัญญาสัมจิจัญญาก็ไล่ขึ้นไปถึงอิทรีสังวรอินทรีสังวรก็ไล่ไปถึงสุจริต3ามนี่นะไปถึงนู่นนะครับวิชาและวิมุตติก่อนถึงวิชาวิมุตติก็ผ่านขั้น สติปฐานถูกไหมครับคือในระดับขั้นเหล่านี้เนี่ยก็คือในอยู่ในระหว่างขั้นฐานอ่ขั้นศีลขั้นศีลสิกขาขั้นจิตสิกขาจนกระทั่งถึงขั้นทิฏฐิวิสุทธิในขั้นในขั้นเจริญติปฐานถูกไหมครับตอนนี้ในขั้นเหล่านี้เนี่ยนะฮะในในในพระสูตรเียว่าต้องบริบูรณ์ก่อนหรือว่าจึงจะขึ้นไปทีละขั้นหรือว่าให้เจริญไปพร้อมๆกันแล้วก็ ไม่จําเป็นต้องถึงกับบริบูรณ์หรอกถ้าอย่างนั้นเมื่อกี้ยังคุยกับคุณชูพอรอยู่คุณชูพรบอกอา้าวถ้าอย่างนั้นก็ต้องให้มันบริบูรณ์เป็นขัข้นๆก่อนที่เช่นเอาให้มันมีโยนิโสมรัชการให้บริบูรณ์ซะก่อนที่มันถึงจะต้องถึงสติสัมัญชนยะถ้าสติสัมัญยะไม่บริบูรณ์เนี่ยเราจะเลิศไม่ได้แล้วอย่างนั้นาปัญหาสําคัญที่สุดเนี่ยนะเราก็มาทบทวนใหม่ถ้าจะตั้งคําถามใหม่นะแล้วก็ช่วยกันตอบเลยนะจะถามหลายคําถามนะหนึ่งสัตว์บูรุษคืออะไร 2. ฟังธรรมแค่ไหนจึงชื่อว่าบริบูรณ์สศรัทธานี่มีอย่างไร 4. อย่างไรชื่อว่าโยนิโสมันนสิการ 5. สติสัมปชัญญะคืออะไร 6. อย่างไรชื่อว่าอินทรีย์สังวรเจ ет, อย่างไรชื่อว่าสุจริต3 8. อย่างไรชื่อว่าสติปัฏฐาน 9. อย่างไรชื่อว่าพ่อชงสิบอย่างไรชื่อว่าวิชาและวิมุตต์นี่ยนะ อันนี้สุตตะมยายายัอันนี้ต้องแม่นยําก่อนว่าอะไรเป็นอะไรให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรก่อนเนี่ยนะสําคัญที่สุดแล้วค่อยว่ายทีในภาพปฏิบัติเนี่ยนะเรื่องใหญ่แล้วไงแล้วเปล่าเรื่องใหญ่มากๆเลยแนะเอาเอาทัานวาเริ่มเก็ได้ครับเ <c oughs> วลาหมดยังเนี่ยทันวาแล้วกันใช่ไหมเอาคนละคำถามก็ได้นะมีตั้งสิคําถามอ่ะนะ ถ้าเผื่อว่าเป็นอย่างนี้นะคะก็เลียงไปดิ้นด้วยแต่เอาเอาใหม่เอาใหม่อะไรคือสัตว์บรุษให้มันอยู่ในคำสิบอย่างนี่นะมันจะตอบรวมๆเมาไหมเอ้าเอาใหม่อ่าเอาใหม่นะสัตว์บรุษอันดับแรกคือพระพุทธเจ้าเลยนะเอาให้ตรงประเด็นเลยบพระพุทธเจ้าอันนี้ทีนี้พระพุทธเจ้าคือใครนะบอกว่าเอออรหังอรหันนี่มีอย่างไงบ้าง สสัมมาสามัมพุโทโธนี่แค่ไหนสวิชาจรณะสัมปันโนนี่แค่ไหนสี่สุขโตนี่เป็นยังไงห้าโลกวิทูนี่เป็นยังไง6อนุตตโรปุริสธรรมสารถาิเป็นยังไงเจษสาถาเทวมนุษย์สานังเป็นยังไงเก้าแดพุทโธว่ายังไง9ก้าพวาว่ายังไรสิบตถาคตมีความหมายว่าอย่างไงเนี่ยนะรู้จักท่านให้เพียงพอก่อนเนี่ยนะเรียกว่ารู้จักว่าใครคือคนที่ไม่ใช่อย่างนี้เรียกว่าอาศาัตบรุษ นี่ยอดของสัตบุตรอ่านี่ยอดของสัตบุตรเนี่ยนะแต่ว่าสัตว์บุตรที่รองลงมากว่านี้ก็พระปัจเจกรองลงมากว่านั้นก็พระสาวกทั้งหลายถ้ารองวันนั้นก็คือพวกสุตตะพุทธะทั้งหลายเนี่ยนะทีนี้สุตตะพุทธะก็สัตว์บุตรถ้าเขาขณะดีนะขณะกุศลจิตเกิดขณะนั้นก็เป็นสัตบุตรขณะไหนกุศลจิตไม่เกิดก็เป็นอาสัตบุรุษถ้าชักชวนคนอื่นเป็นอกุศลด้วยอาสัตบุรุษยิ่งกว่าอาสัตบุตรนี่ก็คือสัตว์บุตรนะทีนี้สัตบุรตรแล้วฟังธรรมให้ ก็ขอขัดยังหวานนิดนึงครับคือถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะฮะก็ในสมัยนี้เนี่ยนะฮะก็ยากยากที่จะหาอย่างนั้นแล้วยอดสบับหุดไม่ต้องพูดถึงเอาเป็นอย่างนี้ดีกว่าคือเนื่องจากยุคนี้เป็นสมัยที่คนค่อนข้า ง, งมีบุญนะนะศึกษาคุณธรรมของสัตว์บุรุษให้เข้าใจก็พอละเพราะว่าถ้าเราไปเอาเป็นรายบุคคลเนี่ยนะมันก็ทองมันก็ยังชุบกันได้เนี่ยนะ และพระองค์ก็ยังฝากไว้อย่างนี้ด้วยนะบอกธรรมวินัยใดอันเราตรัสไว้ดีแล้วแสดงไว้ดีแล้วนะธรรมวินัยนั้นจะเป็นาศาสดา ข, ของเธอทั้งหลายเมื่อการล่วงไปหองเราเนีย่ยนะในมหาปรินิพานสูตรก่อนจะปรินิาพานพระองค์ตรัสไว้อย่างนี้จริงขนาดนั้นพระมหากัสสปา ก, ก็อยู่พระอนุนก็อยู่พระ อ, อสีติอื่นๆก็อยู่เยอะแยะพงไม่ฝากไว้เลยนะงัผมตอบท่านได้แล้วครับเวลานี้ ตอนนี้นะฮะ<ม>ไม่มีอะไรดีกับพระธรรมวิไนท์ที่จะเป็นตัวแทนสัตว์บุรขอเราในชั้นต้นเลยนะก็ศึกษาให้เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าคือสัตว์บุตรใช่ไหมเอาใหม่ก่อนว่าอรหันตคุณของพระ อ, องค์เป็นยังไงสัมมาสามัมพุทโธของพระ อ, องค์นี่เป็นยังไงเนีย่ยนะวิชาจารณะสัมปันโนของพระ อ, องค์นี่เป็นยังไงสุกโตโลกวิทูเป็นต้นเนี่ยนะอย่างน้อยที่สุดถ้าเราเข้าใจก็ยังได้ซับอันดับแรกคือซับคือศรัทธาในาพระตถาคตหรือตถาคตโพธิศรัทธาทีนี้ เมื่อเราเข้าใจทราบซึ้งว่าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้นะแล้วคําสอนของพระองค์เป็นลักษณะนี้มีชนที่ปฏิบัติตามคําสอนของพระองค์เรียกว่าสาวกของพระองค์นั่นแหละพระรัตนตรายคือสัตว์บุรุษของเราทีนี้ต่อไปว่าเมื่อสัตว์บุรุษเราไปเกี่ยวรู้จากสาัตว์บุรุษอย่างนี้แล้วนะเราก็มีการฟังธรรมของท่านถามว่าอย่างไรจึงจะเชื่อว่าฟังก็ต้องโสตาวทาเนสุตามเยยานังเนี่ยนะ 16หัวข้อต้องจําให้ได้เพราะงั้นเนี่ยนั่นแหละจึงชื่อว่าฟังทำนั น, นะฟังธทำเนี่ยนนะับตั้งแต่หนึ่งอะไรควรรู้ยิ่งเพราะเข้ามาในพูทศาสนาต้องรู้ว่าอะไรควรทําอะไรเนี่ยนะคล้ายๆกับว่าอะไรควรทําอะไรก็ต้องแยกแยกให้ออกชั้นใดก็ดีการเจริญธรรมะการพิจนารณาธรรมะต้องแยกให้ออกว่าอะไรควรรู้ยิ่งอะไรควรกําหนดรู้เรียกว่าปริยยะเนี่ยนะอะไรเป็นปหาตับพ้าอะไรเป็นสะาเวตับพ้าอะไรเป็น สัจจิกาตปะทั้งหลายเนี่ยอะไรเป็นความเจริญอะไรเป็นความเสื่อมอะไรเป็นฝ่ายแห่งความตั้งอยู่อะไรเป็นฝ่ายแห่งความชั่เรกกิเลสเนี่ยนะนี่อริยสัจเป็นยังไงทุกขสัจเป็นยังไงสมุทัยสัจเป็นยังไงนิโรธสัจเป็นยังไงเนี่ยนะอริยสัจทั้งหลายต้องเรียนให้เข้าใจอย่างทราบซึ้งก่อนเนี่ยนะอันนี้วัสุตะฟังแล้วก็สามารถทรงจําเข้าใจในสิ่งเหล่านั้นได้อย่างดีนี่เรียกว่าการฟังธรรมที่บริบูรณ์นี้ต่อไปถ้าหากว่าศรัทธาที่บริบูรณ์เป็นยังไง ฟังมาแล้วหนึ่งนะ ต, ตะถาคตโพที่ศรัทธาเราบริบูรณ์หมดเลยว่าพระ อ, องค์มีคุณธรรมเช่นนี้พระธรรมคําสอนของพระ อ, องค์เป็นอย่างนี้สาวกของพระ อ, องค์ทั้งหลายเป็นเช่นนี้เช่นนี้เช่นนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมนี้เรียกว่าตถาคตโพที่ศรัทธาสองเร า, เากรรมมศกตาศรัทธาเรานี่มาด้วยกรรมของเรานะานะถ้ามีกรรมสกตาศรัทธาก็แสดงว่าเชื่ออะไรเชื่อสังขารสังขารซึ่งเป็นปัจจัยแก่อะไร วิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยแก่น้ำรูปน้ำรูปเป็นปัจจัยแก่สลายจตนาภาษาเวทนาตันหาจนถึงอุปาทานแล้วมาทำกรรมใหม่ของเรานี่เขาทำกรรมใหม่ทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอันนี้เพื่ออะไรต่อไปเนี่ยนะอันนเพื่อพบเพื่อชาติต่อไปเพราะฉะนั้นกรรมสกตาศ ร, ราก็พิจารณาว่าเราเนี่ยนะจมอยู่ในห่วงแห่งวัฏฏทุกข์วัฏฏทุกข์ในอดีตวัฏฏทุกข์ที่จะมีต่อไปใน อนาคตแล้วในขณะเดียวกันชีวิตประจำวันก็ทำกรรมเพื่อวัตถุทุกต่อไปทั้งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมขณะไหนว่างเว้นจากกรรมบ้าง mm hmm. ขณะหลับบริสุทธิ์งนั้นขณะที่วิบากจิตเกิดกิริยาจิตเกิดหลังจากนั้นเป็นทำกรรมล้วนๆเนี่ยนะเพราะฉะนั้นกายกรรมวจีกรรมเหล่านี้มีผลแน่อันนะตถาคตโพธิสัตธานี่ดีหนึ่งสอง กรร ม, มสกตาศรัทธาเนี่ยดีเป็นของเฉพาะตัวจริงๆรนะิงไว่างั้นเะนี่ยนะบุญบาป ท, ทั้งหลายนี่พ่อแม่ทําให้ไม่ได้นะลูกหลานทําให้กันไม่ได้นะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นเรื่องเฉพาะตัวจริงๆรกรร ม, มสกตานี้ชัดเจนสผู้ชี้ทางแห่งกลางพ้นจากกรรมนี้มีอยู่ทีนี้ถ้าอย่างนี้ศรัทธาของเราก็จะบริบูรณ์ขึ้นใช่ไหมเพราะว่าไม่มีวิธีอื่นแล้วะที่จะปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกเนี่ยนะเราก็ไปตามกรรมของเรา ถาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ชี้ทางเพื่อออกจากกรรมผู้ที่ฟังทำในส่วนนี้ต้องแยกได้นะถ้าพูดถึงคําว่ากรรมเนี่นะกรรมมีกี่อย่างกรรมมีสี่อย่างนะหนกรรมดํามีวิบากดำใช่ไหมเราก็ทำไม่ใช่ไหมไม่บกพร่องเลยวงั้นนะ่ะสองกรรมขาวมีวิบากขาวอันนี้พร่องอยู่เยะอะโดยเฉพาะมหคัตกรรมนี่นะพร่องหมดเลยทียนี้ต่อไป ทั้งดำทั้งเขาสลับกันเนี่ยนะเออดำมากหน่อยเนี่ยนะแต่ว่าทําควบคู่กันละนะได้สามกรรมนั่นหมหนึ่งกรรมดํามีวิบากดำสองกรรมเขามีวิบากาขาเขาสามกรรมทั้งดําทั้งเขาเพื่อวิบากทั้งดําทั้งเขาต่อไปพระพุทธเจ้าตรัสรู้กรรมอีกอย่างหนึ่งคือกรรมไม่ดําไม่เขาเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมคื อ, อนะพ่อชองหรืออริยมรรคเนี่ยนะจะว่าไปแล้วก็คือโพธิปัตยธรรมทั้งหมดนั่นแหละ เป็นกรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมทีนี้เอ๊ะเรามีศรัทธาอย่างว่าแล้วนะเสร็จ แ, แล้วเอาอย่างที่ว่านี่นะข้อปฏิบัติอย่างไรกรรมไม่ดำไม่ขาวจึงจะเกิดขึ้นต้องโยนิโสขึ้นแล้วครับเนี่ยพอเริ่มได้ฟังมาอย่างชัดเจนแล้วว่าอะไรควรรู้ยิ่งอะไรควรกําหนดรู้อะไรควรละอะไรควรเจริญอะไรควรทําให้แจ้งอะไรควรรู้ยิ่งอ๋อก็อริสสีคนระับอ่าเป็นต้นนั่นเองว่าควรรู้ยิ่ง ทีนี้ต่อไปนะถ้าเรารู้ยิ่งนก็โยนิโสอะไรเป็นทุกขสัตว์ก็เอาเรื่องทุกขสัตว์มาคิดมากๆนั่นแหละเรียกว่าโยนิโสมนัสการเนี่ยนะทีนี้ต่อไปก็สติสัมปชัญญะก็จะเกิดขึ้นสติเนี่ยระลึกถึงสิ่งที่ทำคําที่พูดก็คือระลึกถึงคําสอนที่พระพุทธเจ้าพูดถึงสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดอ่ะพระองค์ตรัสว่ายังไงอันนั้นเป็นกิจของสติทีนี้เมื่อสติระลึกในคําสอนะจะปฏิบัติอย่างไรในสัมปชัญญะทั้ง 4ประการให้บริบูรณ์เนี่ย น, นะต่อไปก็จะเริ่มรู้จักแล้วอินทรีสังวรจะคืออะไรเนี่ยนะถ้าเข้าใจในอินทรีสังวรนะถ้าเข้าใจว่าเออถ้าจิตเป็นกุศลนะกุศลและจิตอันนั้นเป็นสมุทฐานล่วงมาทางกายกายอันนั้นเรียกว่ากายะสุจริตจิตที่เป็นกุศลทำให้เปล่งวาจาพูดออกมาคำพูดอันนั้นก็เป็น ว, จ, วจีสุจริตนึกคิดก็เป็นมโ น, มนสุจริต ถ้าสุจริตทั้ง3ประการนี้บริบูรณ์เพียงพอ mm hmm. คิดเป็นไปกับกุศลได้มากอันนี้ก็ทําให้วิเคราะห์วิเคราะห์อะไรวิเคราะห์กายเวทนาจิตหรือธรรมคือวิเคราะห์ขันห้าได้อย่าลืมว่ากายได้แก่ขันอะไรรูปขันกายคือรูปขันเวทนาได้แก่เวทนาขันจิตได้แก่วิญญาณขัน mm hmm. ธรรมะได้แก่สัญญาขันและสังขารขันขันเหล่านี้มีบริบูรณ์อยู่แล้ว นี er ้อย er ่างไรชื่อว ja ่าเจริญกายานุปัสนาสติปัฏฐานก็คือทำปริญญาในรูปปะขันเรียกว่าเจริญกายานุปัสนาสติปัฏฐานทำปริญญาในเวทนาขันชื่อว่าเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานทำปริญญาในสัญญาขันสังขารขันชื่อว่าเจริญธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานถ้าทำปริญญาในวิญญาณขันชื่อว่าเจริญเจริญจิตตานุปัสนาสติปัฏฐานเพราะฉะนั้นการเจริญสติปัฏฐานก็คือทำปริญญาสามใน อุปาทานขันห้าเพื่อละอวิชาและภวะตันหานเนี่ยนะอวิชาคืออะไรอวิชาคือไม่รู้ว่าขันหรือไม่รู้ว่ารูปรูปสมุทยัยรูปนิโรธรูปนิโรธคามินีปฏิปทาเวทนาเวทนาสมุทยัยเวทนานิโรธเวทนานิโรธคามินีปฏิปทาสัญญาสังขารวิญญาณก็ในยะเดียวกันไอการที่ไม่ยังถึงอย่างนี้ชื่อว่าอาวิชาขันทั้ง5้าเรียกรวมๆ ว, ว่า ตัวขันนั่นแหละคือตัวทุกแหละโดยย่ออุปาทานขันห้าเป็นตัวทุกสังคิเตนะปัญจุปาทานนะขันทาทุกขาเนี่ยนะตัวย่ออ่าโดยย่อขันห้าเป็นตัวทุกอ่าทุกอันนี้นะถ้าวิช่าเกิดขึ้นจะรู้ว่าทุกทุกขสมุทัยทุกขานิโรธทุกขานิโรธถ้าามินีปฏิปทาถ้าอวิชาจะไม่รู้ความจริงว่านี้ขันเนี่ยเป็นทุกตัณหาในก่อนเป็นเหตุให้ขันเกิดเป็นสมุทัยไม่รู้ว่า ความดับตันหาที่สุดแห่งทุกเป็นนิพานไม่รู้ว่าอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ที่กําหนดรู้ทุกละสมุทัยธรรมนิโรธให้แจ้งนั้นเป็นมรรคไม่รู้ขันอันนี้ที่เคยมีในอดีตไม่รู้ขันอันนี้ที่จะมีต่อไปในอนาคตไม่รู้ขันอย่างนี้ทั้งที่เป็นอดีตและอนาคตไม่รู้ความเป็นไปเป็นเหตุเป็นผลที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นไปยอย่างนี้ของขันห้าอันนั้นทั้งหมดเป็นอวิชาาวชา นี่ก็มาแยกแย่ทำมินิไชนายนขันทั้งทั้งหมดเลยนะทำยาตะปริญญาตีรณปริญญาปะหานะปริญญาในรูปประขันเวทนาขันสัญญาสังขารและวิญญาณขันทีนี้สติปัฏฐานที่เข้าไปทําปริญญาอันนี้เนี่ยก็เป็นปัจจัยแก่โพชฌงเพราะว่าการเจริญอันนี้เนี่ยนะที่เรียกว่าเป็นปัจจัยแก่โพชงก็คือเจริญสติอันนี้เลยแหละที่เรียกว่าอาศัยวิเวกเนี่ยนะแต่ทางข้าวิเวกวิขำพนาวิเวกเป็นต้นเนี่ยนะ อาศัยวิเวกอาศัยวิราฆาอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสลัดออกจากขันท่าเจริญธรรมะวิจัยสัมพจนชงอาศัยวิเวกอาศัยวิราฆาอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละเจริญวิริยะสัมพจนชงปีติปัสสัตธิสมาธิและอุเบกขาสัมโพจนชงเนี่ยนะอาศัยวิเวกอาศัยวิราฆาอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละดถ้าพจนชงเหล่านี้บริบูรณ์วิชาก็บริบูรณ์ถ้าวิชาบริบูรณ์วิมุตติก็ บริบูรณ์เมื่อวิมุตติบริบูรณ์วิมุตติญานณนิทัศนะก็บริบูรณ์เพราะฉะนั้นนับตั้งแต่การฟังเป็นต้นลําดับไปเนี่ยนะจุดมุ่งหมายอันเดียวคือเพื่ออนุปาธาปริณิพานเพื่อการดับโดยไม่มีส่วนเหลือเนี่ยนะนะเพื่อการดับโดยโดยรอบแต่ทีนี้คาสอนเหล่านี้ต้องเป็นไปตามตามลําดับมันก็ต้องฟังให้ให้ให้เข้าใจก่อนว่าอะไรเป็นอะไรใน ประเด็นที่อย่างของมาต้องการที่สุดเนี่ยนะอยากให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรก่อนเท่านั้นเองส่วนเจริญได้ไม่ได้ชันของเฉพาะตัวจริงๆถ้าเข้าไปในป่าก็จะชี้ให้ดูว่าผลไม้ไหนกินได้บ้างก็จะบอกให้รู้นะใครไม่กินก็ช่วยไม่ได้จริงๆธรรมะก็เหมือนกันอย่างมากก็จะบอกให้รู้ว่าอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นสมุทยัยอะไรเป็นนิโรธอะไรเป็นนิโรธาคามินีปฏิปทาก็สามารถช่วยเหลือกันได้เท่านั้นจริงๆ เพราะการเกี่ยวข้องกับภายนอกนี่นะเพื่อประโตโคสะเพื่อฟังเท่านั้นเองแล้วพระองค์ก็ตัดไว้เลยพระองค์ก็เป็นแต่คนบอกทางเพราะฉั้นเราอ่านพระไตรปิฎกก็เหมือนกับอ่านแผนที่นะส่วนเดินไม่เดินก็เป็นภาระของเราแต่สําคัญที่สุดแล้วนะว่าเรานี้ในฐานะเป็นผู้ที่ผู้ทางสารณังฆาชามิเอาพระพุทธเจ้าเป็นสาระเป็นที่พึ่งเป็นที่ไปในเบื้องหน้าถึงกับมอบกายถวายชีวิตเนี่ยนะถึงว่า ติดตามนอบน้อมพระรัตนตรัยในทุกขนทุกแห่งเนี่ยนะที่เรียกว่าพุทธังสรารนางคัจฉามิทำมังสังคังสรารนางคัจฉามิเป็นต้นเนี่ยนะมันก็ต้องกุศลธรรมเหล่านี้ก็ต้องไม่ลืมเนี่ยนะก็เรียกว่าศึกษาไม่ได้อะไรก็พุทธังสรารนางคัจฉามิไม่เสื่อมนี่ก็ใช้ได้แล้วล่ะเนี่ยนะยังจะพอมีเข้าไปหาพระพุทธเจ้าองค์หน้าบ้างมั้งก็เป็นเรื่องใหญ่จริงๆเห็นไหมอ่าโดยมากพวกผมนี่นะฮะผมกล้ากล่าวได้ว่า เราเผลอๆ เ, เรามักจะกระโดดข้ามขั้นในเรื่องสุตตัมยญาณไปครับอันที่จริงเนี่ยที่ท่านกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยเราควรที่จะรู้โดยที่ไม่ต้องไปคิดโดยไม่ต้องปฏิบัติอะไรเลยจากการศึกษาให้เป็นสุตตัมยญาณซะก่อนเพราะฉะนั้นการที่เราจะกระโดดเข้าไปว่าเมื่อเมื่อโทสังเกิดแล้วเราจะปฏิบัติอย่างไรอะไรนี่นะครับผมว่าคงน่าจะข้ามขั้นไปไหมครับคือ สำคัญที่สุดก็ต้องฟังให้เข้าใจให้ละเอียดเพียงพอนะถ้าถ้านับเทียบกับวิชาทุกๆแขนงแล้วนะวิชาธรรมะที่เรามีความรู้น้อยที่สุดแล้วปฏิบัติเลยเมื่อเทียบกับวิชาอื่นในโลกนะเป็นอย่างนั้นจริงๆครับเราเพ้อเพเรานึกว่าเรากาลังปฏิบัติกำมีการใหญ่เอาไหมนะถ้ายางยางเอาสิกขาเพราะว่าการเจริญหรือการปฏิบัติในผู้ศาสนานั้นก็คือสิกขาสาม ถ้าสกขาวสามเนี่ยนะถ้าเราจะลองทบทวนดูว่าศีและสกขาเหมือนกับที่เราเคยเรียนไปเนี่ยนะอะไรคือศสินนี่ต้องตอบให้ได้นะหอะไรคือศีลสองสินเพราะอัตถาว่าอะไร3อะไรเป็นลักษณะที่จตุกะของศินเนี่ยนะลักษณะรัจจุประธานประธาฐานของศีลอะไรเป็นอนิสงค์ของศีนสินเนี่ยถ้าไม่รักษาเรามีโทษอย่างไร ศีลเนี่ยนะแบ่งออกประเภทเนี่ยนับหนึ่งได้ไหมสองศีลนับหนึ่งได้ไหมสองสามสี่ห้านับได้ไหมศีลเนี่ยเศร้าหมองเพราะอะไรศีลนี่ผ่องแผ่วเพราะอะไรเมืา ง, งานั้นในฐานะคนรักษาศีลก็ต้องตอบได้ใช่ไหมมันก็ขั้นสุดแตม่ม ย, ยัานเนี่ยเราต้องตอบได้แล้วพวกนี้<จ>ใช่ไหมฮะเจริญก่อนที่จะไปปฏิบัติจริงๆก็มีอยู่ครั้งหนึ่งไปที่ศาลจําได้นายนายยศทานาปีนี้เนี่ยพอจะรู้ได้ไหมว่าข้าวมันได้เท่าไหร่หรู้เมืา ง, งานั้น เออนี่บางคนเขาค้าขายเลยใช่ไหมค้าขายปีนี้เนี่ยนะลงทุนเท่าไหร่กําไรเท่าไร่รู้ใช่ไหมรู้เออแล้วทําบุญไปนี่รู้ไหมว่าทําไปเท่าไหร่แล้วมันจะได้บุญยังไงบ้างบอกไม่รู้บอกวิชาเดียวที่ไม่ต้องใช้ความรู้เลยนะทําไปอย่างเดียว <c oughs> มบบเป็นหน้าสังเวชใจมากว่าโอ้นี่เลยผู้ทธศาสนาว่าง ก, กันสรุปแล้วไม่รู้สักอย่างไปยังไงมายังไงจบที่ไหนจบเมื่ อ, อไรรู้อะไร ไม่รู้แต่ยังงี้ก็หมาเต็มทีแล้วล่ะเนี่ยวิชาท่วมทับจริงๆเหมือนนทำอย่างเดียวทำอย่างเดียวก็ถูกแล้วล่ะเพราะว่าเป็นกายกรรมบัญกรรมมโนกรรมอยู่แล้วล่ะไม่เว้นไม่ว่างเว้นจากกรรมสามเหล่านี้เลยเนี่ยนะฮนในสิขาอื่นๆนะต้องเอาคําถามลักษณะนี้มาถามเรื่อยๆเนี่ยนะเสร็จแล้วก็เอาไปไขครวนตามตามนั้นแหละว่าเราเข้าใจเพียงพอไหมถ้าเข้าใจเพียงพอแล้วนะอันนั้นเป็นอะไรเข้าใจพอก็เป็นสุตตัสมาธิถี่เนี่ยนะ ความรู้ความเห็นที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฐิบุคคลเมื่อม e ีสัมมาทิฐิก็จะรู้ว่าอะไรเป็นมิจฉาทิฐิและเป็นสัมมาทิฐินะอันนั้นเป็น ส, สัมมาทิฐิของเขาทีนี้ก็จะรู้ว่าอะไรเป็นสัมมาสังกัปปะเนี่นะเพราะคนที่มีความเข้าใจอย่างถูกต้องนะความตรึกอันนั้นเป็นสังกัปปะนี่นะบุคคลตรึกตรองสิ่งใดก็จะพูดสิ่งนั้นอันนั้นเป็นสัมมาวาจาคนพูดอะไรก็จะทาอันนั้นเป็น สัมมากรมมากรมตะทั้งคำพูดทั้งพฤติกรรมนั่นแหละคืออาชีพของเขาอันนั้นเป็นสัมม า, าชีวะนี่นะทสิ่งเหล่านี้ต้องทำด้วยความภาคเพียรพยายามเนี่ยนะอันนั้นเป็นสัมมาวายามะทำด้วยความไม่ประมาททำด้วยความรอบคอบเนี่ยนะค ร, ครวนโดยแยบคายอันนั้นเป็นสัมมาสติทำด้วยความไม่ฟุ้งซ่านอันนั้นเป็นสัมมาสมาธิไอสิ่งที่เราจเจริญจริงๆนะีคือมักมีองแปดนะ ต้องไม่ลืมว่ามักมีองค์แปดยังไงยังไงก็ให้นึกนึกว่าเออมักมีองค์แปดเนี่ยนะให้ในนึกไว้สักคำก็ยังดีก่อนนะนะมักนะมักมีอยู่นะปฏิปธรรมมีอยู่นะเหมืงนั้นเพื่อทำที่สุดแห่งทุกนั้นนะท่านอาจารย์ก็เหนื่อยแล้วครับผมว่าใครมีปัญหาอะไรจะถามไหมเดี๋ยวพวกผมจะช่วยกันตอบบ้างคะอาจารย์นั่งฟังมึง ม, มีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยที่ พระอาจารย์บอกว่าผู้การกับคุณนายเนี่ยสามารถระลึกได้ว่าถนนเส้นไหนนี่ให้ชีวิตทานอะไรบ้างผมอยากให้ลองเล่าให้ดูว่าเอถนนในประเทศเนี่ยมีหลายเส้นทําเจริญจารคานุสติได้ขนาดนั้นเลยเหละคืออย่างนี้ครับคืออ่าถ้าผมจะเจริญอ่าถ้าเราจะเจริญเรื่องทานที่เราเคยให้นะครับหรือว่าในเรื่อง อะไ ร, รก็แล้วแตนะ่ถ้าเราขับรถนะเราจะขั้งต้นแต่แตเชียงใหม่ไปเลยจากเชียงใหม่ออกจากนี่ไปเนี่ยเราเคยเราเคยทําอะไรได้มั่งที่มันเป็นกุศลนะไล่ไปเรื่อยแต่ละจุดแต่ละจุดจุดที่เราเคยปล่อยแย่นะอตัวนี้เราเคยซื้อปลามาปล่อยนะ ตัวนีเ้เราเคยให้อาหารปลานะตัวนี้เราเคยช่วยรับคนขึ้นรถอะไรเงี้ยไล่ไปเนี่ยจากนี่ไปก็ไปลําปางจากลําปางก็ไปถึงจังหวัดตากจังหวัดตากไปกําแพงเพชรกําแพงเพชรเราจะเราจะเห็นเยอะเลยว่าเราได้ทําเอาไว้นะนะอ ย, อย่างนี้อย่างนะถึงกรุงเทพเลยนะแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นเส้นทางอื่นบ้างสมมติถ้าเรานึกแล้วมันหมดแนละ้วใช่ไหมเราคนนึกออกไปทางซ้ายบ้างตอนนี้คนนี้ไปทางนี้บ้างออกมาทางนี้นะ่ะ ออกมาทางไฮเวย์ผ่านวัดเจดีย์ยอดเจ็ดยอดวัดเจ็ดยอดผ่านมาถึงข่วงสิงห์นี่ข่วงสิงห์นี่ผ่านเข้ามาทางนู่นเข้าไปถึงนู่นเลยแม่โจะอะไรไปแล้วเราก็จะนึกออกครับว่าเราได้ทําอะไรไปบ้างนี่นะแลนนี้เป็นอันหนึ่งที่เราที่เรามันตึกบ่อยๆเพื่อที่จะไม่ให้ไม่ให้ลืมหรือว่านึกถึงกุศลที่เราเคยทําไว้นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งถ้าใครจะเอาไปเป็นตัวอย่างก็เอาไปทําได้ อย่างเมื่อเร็วๆนี้ผมตึกไปในเรื่องกรุณาเนี่ยผมก็นึกถึงหัวข้อ4หัวข้อคือที่พระพุทธภาคทรงทร ง, ทรงมีพระมหากรุณาต่อสัตว์โลกได้4หัวข้อหนึ่งสัตวาวาสโลกวุ่นวายสับสนวุ่นวายโลกย่อมมีอัญชลายย่อมนําไปโลกย่อมทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปไม่อะไรเป็นเจ้าของโลกย่อมพล่องอยู่เป็นนิดเนี่ยถ้าได้4หัวข้อนี้นะแล้วท่านจะตึกไปตามบุคคลซึ่งท่านรู้จักนะว่าบุคคล น, นี้เนี่ย เคยเป็นมีฐานะอย่างนั้นบัตรนี้เขาได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วอย่างนั้นเขาได้เคยถูกไฟลาค่าโทรศกลุ์กลุ่มอย่างนั้นเา เ, เวลาก่อนนี้เราเคยเห็นเขายังหนุ่มยังแน่นบัตรนี้เราเห็นเขาชลาลงอย่างเนี้ยมันมองเห็นเลยว่าเขาเนี่ยเป็นไปตามที่พระพุทธองครรรรรรรรร์ตรัดนะเวลานี้เขากำลังต้องจากสิ่งเหล่านี้ไปเพราะว่ายุค IMF อ็เขาต้องพังพินาศไปสิ่งของเหล่านี้ก็ต้องสลหมด หรือว่าเราเห็นเขากําลังโอ้โหโลภะเหลือเกินเราโอ้นี่โลกจ่อมพล่องอยู่เป็นนิดเนเราก็นึกออกออกจากครอบครัวนี้ไปครอบครัวนู้นจากครอบครัวนี้ไปครอบครัวนู้นถ้าผู้มีอายุอย่างผมเนี่ยผมจะนึกได้เยอะเพราะผ่านเพราะผ่านชีวิตบุคคลครอบครัวเหล่านี้มามากแล้วนึกออกเมื่อนึกออกแล้วเราก็จะสลดใจทันทีเลยแล้วนะนึกออกเลยว่าโอ้โหนะสภาพมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นถึงเพียงนั้นนะ แล้วก็จะน้อมเข้ามาในตัวเองก็ไม่พ้นอย่างนั้นสังเวกษ์สังเวกษ์วัตถุตนยก็บอกว่าเมื่อมีวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความสังเวชก็จะตั้งความเพียรโดยแยบคายนะที่นี่เป็นตัวอย่างนะถ้าหากว่าขายจาเป็นตัวอย่างเขาทําได้เลยผู้ถึงตรงนี้ให้นึกถึงสมัยพุทธกาลอิดนิดหนึน่งตอนที่นางวิสาขาเนี่ยนะไปขอพรพระผู้มีพระภาคหลายประการด้วยกันเช่นขอเถพอพอรทำอคัญตุกะพัดเป็นต้นเนี่ยนะ เพื่อที่จะทําบุญกับพระสมัยนั้นมากที่สุดเท่าที่นางจะทําได้ทีนี้พระ อ, องค์ก็ถามว่าอาศัยอํานาจประโยชน์อะไรนางจึงทำทำบุญเหลือเกินอย่างนั้นเถอที่ทําทั้งพัดแก่สําหรับพระภิกษุที่ป่วยพัดสําหรับพระภิกษุอาคารตุกะที่จรมาหรือว่าพระสําหรับที่จะเดินทางเป็นต้นนางก็เล่า ว, ว่าสักวันหนึ่งเนี่ยนะจะได้ข่าวว่าภิกษุทั้งหลายเนี่ยตายสมัยพุทธกาลเนี่ยตาย พระองค์ก็จะพยากรณ์ว่าภิกษุรูปนั้นนะเป็นพระสกทาคามีเป็นอนาคามีเป็นผ้าอรหันเป็นต้นนางก็จะถามว่าภิกษุเหล่านั้นเนี่ยเคยมาเมืองสาวัตถีไหมถ้ามานี่รู้ว่าภิกษุเหล่านั้นต้องเคยบริโภคร ป, ปรจัจจัย4อย่างใดอย่างหนึ่งของนางอย่างแ น, น่นอนเพราะฉะนั้นนางก็จะได้เจริญจากานุสติอย่างนี้ก็จะเป็นให้เป็นปัจจัยให้เกิดปีติเกิดปราโมทเป็นปัปนปจจัยเพื่อให้เกิดปีติปัสสัตที่เป็นปัจจัยเพื่อให้เกิด สุขสมาธิแล้วก็สติพละอินทรีย์ของนางก็จะเจริญได้ด้วยอาการอย่างนี้นะก็อาศัยประโยชน์เหล่านี้นางจึงตั้งทานทั้งหลายชนิดด้วยกั น, อ, น, นอันนั้นก็เป็นจารคานุสติของของนางวิสาขานะอนนันผู้ที่สามารถให้ทานไว้เยอะๆแล้วก็ร ะ, ะลึกถึงทานได้บ่อยๆอันนั้นก็เป็นจารคานุสติแล้วอีกนัยยะหนึ่งก็เป็นเทวตานุสติได้ไม่ยากนะผู้ที่เจริญกุศลธรรมเหล่านี้บ่อยๆนะเนื่องจากปราระบะ เทวดาทั้งหลายเนี่ยนะที่เขาอยู่ในสุคติโลกสวรรค์ไม่ว่าจะเป็นเทวดาชั้นจาตุมดาวดึงยามาเป็นต้นเขาก็ประกอบไปด้วยศัพท์คุณธรรมคือศรัทธาศีลอ น, น, นัสุตาจากขปัญญาเหมือนกับเราที่เรากําลังเจริญอยู่นี่นี่แหละมิฉงนั้นก็เจริญเทวตานุสติต่อไปได้นี่นะถ้าเจริญกุศลธรรมระดับหนึ่งก็เจริญเทวตานุสติได้แต่ถ้าหากว่าเจริญกุศลธรรมไม่เพียงพอก็จะอ้อนวอนแต่เทวดายอย่างเดียว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 พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมใดเป็นที่พ้นทุกข์ก็ขอให้พวกเราทั้งหลายได้ตรัสรู้ธรรมนั้นด้วยมิจฉาทิฐิเป็นต้นมิจฉามรักทั้งหลายที่พระองค์แนะนําให้ขจัดออกไปขอให้เราได้กําจัดมิจฉามรักทั้งหลายเหล่านั้นด้วยสัมมามรรคเหล่าใดที่เป็นข้อปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ก็ขอให้เรามีส่วนได้ตรัสรู้ธรรมทั้งปวงเหล่านั้นให้เจริญธรรมะเหล่านั้นให้บริบูรณ์เต็มเปี่ยม